นะโมตัสสะพักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนัติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรัง เอเตนะสัจจวัฒเชนะวัฏทะยังสาธุศาเสนนัตทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัฏทะยังสาธุศาเสนนัตทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะ วัทยยังสาธุศาสนีสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่ พโยกีทุกคนทุกท่านผู้ใฝ่ในธรรมใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติใฝ่ในการศึกษาหาความรู้ขอให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันเมื่อเช้านี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของทานในชีวิตประจำวันของเราว่าเราไม่ขาดเรื่องของทานเลยแล้วเชื่อมโยงมาสู่ศีลศีลก็เช่นเดียวกัน ในชีวิตประจำวันของเราก็ไม่ห่างจากเรื่องศีลเลยเราอย่าลืมว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนถ้าสรุปเป็นทิศหกทิศเบื้องหน้าคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายนะคือมิตรสหาย หรือญาติพี่น้องทิศเบื้องหลังคือบุตรสะภรยาทิศเบื้องต่ำคือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ได้โอกาสทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์ันั้นในชีวิตประจำวันของเราไม่มีเวลาไหนเลยที่จะเว้นจากเรื่องทานเรื่องสีเรื่องภาวนา ก็จะมาต่อเรื่องศีลที่เชื่อมโยงเรื่องศีลเมื่อเช้านี้เพราะเป็นการพัฒนาจิตใจของเราขึ้นสู่ศีลก็จะนำเรื่องของศีลนั้ น, น, นเริ่มตั้งแต่ว่าศีลคืออะไรศีลที่เป็นไปเพราะอาศัยสิ่งใดนะมีลักษณะแบบไหนหน้าที่เป็นอย่างไร สิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อเรามีศีลแล้วก็เหตุที่จะทำให้เกิดศีลศีลมีนในสงอย่างไรความเศร้าหมองความผ่องแผ่ของศีลเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องศีลที่เราต้องจําเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าศีลเป็นข้อๆแล้วจะทำให้ศีลบริบูรณ์ได้เราต้องรูบ้บริบทของศีล หรือบริบทของใจที่มันจะเกิดขึ้นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นได้เกิดจากการรับสาสินแบบไหนแล้วเราเข้าใจอย่างไรจึงจะทำให้สินนั้นบริบูรณ์ขึ้นมาได้นะควาว่าสินคืออะไรนะปานาติบาตใช่ไหมอธินนาทานกาเมสุมิชาจามุสาวาตหรือสุราเมรัยใช่ไหม เป็นศีลถ้าถามอย่างนี้ก็ตอบว่าใช่เป็นศีลแต่ยังไม่ไม่หมดแค่นั้นเพราะคำว่าศีลเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนามธรรมา ท, นะที่จะทำให้เกิดกุศลขึ้นมาเรียกว่ากุศลและศีลคราวนี้คำว่าศีลคืออะไรเราก็จะได้คำตอบว่า ศีลต้องเว้นจากรูปธรรมแน่นอนนะเพราะกุศลศีลนั้นเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของสภาวะจะแบ่งศีลคร่าวๆนะออกเป็นสี่ประการด้วยกันหนึ่งเป็น เจตนามีเจตนาอีกแล้วในเรื่องของทานก็มีเจตนาต้องมีความตั้งใจซะก่อนในเรื่องของทานก็มีความตั้งใจที่จะให้จะสละจะแบ่งปันในเรื่องของศีลก็ต้องมีความตั้งใจที่จะงดเวน้นจากบาปอากุศลธรรมนี่คือเจตนาคือความตั้งใจอย่างที่สองคือเจตสิก เป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นจะมีเจตสิกหรือสิ่งที่เกิดกับจิตเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ดีก็เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในฝ่ายที่ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับจิตฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีมีอยู่สองฝ่ายที่เห็นเด่นชัดเวลาที่ เราคิดประมวลความคิดขึ้นแต่ละครั้งก็จะมีสิ่งดีกับไม่ดีเกิดขึ้นมาร่วมด้วยแล้วยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตบางอย่างที่ไม่เป็นทั้งดีและไม่ดีนะเราเรียกว่าผลนะหรือเป็นสิ่งที่เกิดร่วม ช่วยสนับสนุนให้มีกําลังถ้าไปอยู่ในฝ่ายไม่ดีก็จะไปสนับสนุนในฝ่ายมันไม่ดีนั้นให้มีพลังขึ้นถ้าไปอยู่ในฝ่ายดีก็จะทําให้ฝ่ายที่ดีนั้นสูงขึ้นตั้งมั่นขึ้นพัฒนาขึ้นเข้มแข็งขึ้นนีอันนี้เป็นลักษณะของเจตสิกสิ่งที่เกิดกับจิต และอันที่สามคือสังวรหนึ่งเจตนาสองเจตสิกสามสังวรคำ ว, ว่าสองสังวรเนี่ยได้แก่การสำรวมสำรวมระวังหรือการปิดกัน้นอย่างที่สี่คืออวีติกมะ อวิติกมะได้แก่การการละการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นคือการไม่ก้าว่วงนะอวิติกมะ <c oughs> ไม่ให้บาปอากุศลักษ์ธรรมเกิดขึ้นในจิตใจมีลักษณะอยู่4ีอย่างสีนะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมะศีล ค่ะว่าเจตนาคือความตั้งใจเป็นอย่างไรนะเจตยะตีติเจตนานะชื่อว่าเจตนาเพราะอัถว่าย่อมสืบต่อธรรมชาติใดย่อมผูกพันพร้อมกับธรรมทั้งหลายที่สัมปยุติกับตนในอารมณ์เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเจตนาได้แก่สิ่งที่เกิด ขึ้นพร้อมกับจิตหรือความคิดที่เป็นสิ่งที่สืบต่อให้เป็นไปในอารมณ์นะด้วยอำนาจของการอนุ ก, กูลของเจตนานั่นเองนะสรุปก็คือความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดโดยไม่ว่าจะการให้ทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามเนี่ยต้องมี ความตั้งใจก่อนเราตั้งใจที่จะทำมันที่จะงดเว้นที่จะให้ที่จะสล ะ, ะความหมายต่อไปนะปะกับเปติวาเตสังวิทหติอาระมณ ะ, ะปฏิราพยวากรรมสิทธิยาอภิสังขาอภิสังคารตีติเจตนานะทำใดย่อมปรุงแต่ง คือย่อมจัดแจงซึ่งสัมประยุติธรรมทั้งหลายเพื่อการได้เฉพาะซึ่งอารมณ์หรือเพื่อผลอันสำเร็จเพราะกรรมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเจตนานี้คือบุงแต่งหรือจัดแจงทำที่เกิดร่วมกับความคิดไปเป็นหัวหน้าไปเป็นประธานอย่างเช่นถ้ามีเจตนา ทำเหล่าอื่นก็จะกระตุ้นก็จะช่วยกันทําก็จะร่วมมือกันทําอย่างเช่นมีหัวหน้าอย่างแม่ทัพถ้ามีในกองทัพถ้ามีแม่ทัพลูกน้องหรือทหารพลทหารก็จะทําตามแม่ทัพนั้นมีคนสั่งการนะเจตนาก็เช่นเดียวกันหรือเหมือนกับลูกศิษย์กับอาจารย์ถ้ามีอาจารย์ลูกศิษย์ก็ ทั้งหลายก็จะทำตามอาจารย์นั้นนี่คือเจตนาเรียกว่าธรรมชาติที่จัดแจงจัดแจงให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดร่วมกับตนไม่ว่าจะเป็นมีศรัทธามีสติมีความไม่ละอายแก่ใจความไม่เกรงกลัวต่อ บ, บาปมีความไม่โลภมีความ มีเมตตาและขันติมีกรุณาพวกนี้ก็จะเกิดร่วมกับเจตนานั้นแต่ตัวที่เป็นใหญ่ตัวสั่งการก็คือเจตนานั้นเป็นหัวหน้าเรียกว่าธรรมชาติที่ปรุงแต่งหรือจัดแจงนะท่านบอกว่านะความจริงเจตนานี้เมื่อกําลังจัดแจงย่อมปรากฏเป็นเหมือนหัวหน้าสิทธิ์หรือ หัวหน้าช่างไม้หรือแม่ทัพเป็นต้นผู้ยังกิจของตนและกิจของบุคคลอื่นให้สำเร็จได้ฉันใดนะแม้เจตนานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกำลังเป็นไปในอารมณ์ด้วยกิจของตนย่อมยังสามประยุติธรรมทั้งหลายก็คือสิ่งที่เกิดร่วมด้วยกับเจตนาดังที่กล่าวแล้วนะแม้อื่นให้เป็นไปในกิจของตนของตนเพราะว่า เมื่อเจตานานั้นเริ่มปาราซึ่งกิจของตนแม้ทมทั้งหลายที่สัมพยุตกับเจตานาก็เริ่มปารพซึ่งกิจของตนด้วยนะั่นก็อุปมาเหมือนกับหัวหน้าสีหัวหน้าช่างไม้แล้วก็แม่ทัพนะก็จะทำกิจต่างๆให้สำเร็จได้ทั้งของตนเองและของผู้อื่นนี่ลักษณะของเจตานาน เจตนายังมีลักษณะอีกแบบหนึ่งว่าเป็นกุศ ล, ลกรรมที่มีกิจพิเศษได้แก่พีชะนิทานกิจนะคือศิลเจตนากรรมเนี่ยทำหน้าที่เป็นเมล็ดพืชเวลาที่เร า, าจะปลูกต้นไม้ก็มีเมล็ดพืชเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้เติบโตเป็นต้นใหญ่ขึ้นมาต้องใช้เมล็ดพืช เวลาที่เราทําบุญทํากุศลก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเรื่องทานก็ต้องมีเจตนาเพื่อที่จะเป็นเมล็ดพืชในการบ่ ม, บมเพาะต้นของอสมมุติว่าเป็นต้นของโพธิญาณต้นของความเป็นสาวกกับโพธิปัจเจกับโพธิสัมมาสามโพธิต้องบ่มเพาะเมล็ดพืชพันุนี้ดังนั้นคือทุกอย่างจะต้องมีเจตนา ในการที่จะบ่มเพาะสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้เจตนาก็เช่นเดียวกันนะเป็นเมล็ดพืชที่จะบ่มเพาะเพื่อไปสู่ศีลอา่าไปสู่สมาธิที่ตั้งมั่นไปสู่ปัญญาที่สามารถทําลายกิเลสและจนถึงต้นโพธิ์ที่แข็งแรงเป็นสาว ก, กโพธิได้เป็นปเจกโพธิได้เป็นสัมมาสัมโพธิได้ อยู่ที่เจตนาตัวนี้ที่เราพัฒนาเสยียศักยภาพของเจตนาตัวนั้นจนเป็นเจตนาที่เข้มแข็งนะไม่เป็นเจตนาที่อ่อนแออย่างที่เคยเป็นเราก็ได้เจตนาตัวนั้นเปลี่ยนมาเป็นเจตนาเพื่อตั้งใจที่จะทำตนเองให้พ้นจากวัตทุกข์นี้ไดนะ้เขาเรียกว่าพีชานิธานิกิต เรียกว่าทำหน้าที่เป็นเมล็ดพืชเพื่อให้ได้เสวยผลต่อไปในอนาคตนะอันนี้คือลักษณะของเจตนานะคราวนี้มาดูเจตสิกเจตสิกของสี น, นี้มีอยู่หประการด้วยกันสอย่างเป็นเรียกว่าวิรติวิรตีสาประการ มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรก็คือการกดนเว้นจากการพูดเทศการพูดคเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อี่เรียกว่าสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากรรมตตะเว้นจากกายทุจริต นะคือเว้นจากปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉ า, าจาร์นี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะเจตสิกได้แก่งดงดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่นั่นแหละแต่เป็นไปกับด้วยการหาเลี้ยงชีพเป็นไปกับด้วยอาชีพโดยงดเว้นอาชีพนั้นต้องงดเว้นจากกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่ นี่เรียกว่าวิรตีสามเป็นการงดเว้นจากบาปอกุศลแล้วเป็นองค์มัก้วยนะอริยมักมีองค์แปดขาดสามตัวนี้ไม่ได้นะเพราะเป็นเรื่องของศีล น, นะอีกสามตัวได้แก่มนโนสุจริตมนโนสุจริตสาม อนาพิชาความไม่โลภอพยาบาทความไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ปองร้ายและสัมมาทิฏฐนะิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องในธรรมแปดประการได้แก่ปัญญานั่นเองนะ สมาธิทีนี่คือปัญญาสมาสังกับปะนั้เป็นตัวปัญญามีอยู่สองตัวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตัววิปัสนาสมาธิเนี่ยมีวัตถุสิบประการนะสมาธิิโกโขปะนะโหติ วิปปรีตัทธสิโนอธิทินังนัแรกอธิยิฐถังอธิหุตังอธิสุกตะทุกตานางกัมมานังพลังวิปาโกอธิอายังโลโกอธิประโลโกอธิมาตาอธิปีตาอธิอัตตตาโอปปาติกาอธิโลเกสัมณพรามนา สมัคตาสามมาปฏิปันนาเยอิมันจะโลกังปารัญจะโลกังสยังอภิญญาญาสัชกตวาปเวเทนตินี้อยู่ในมัชฌิมานิกายมูลปันนาสนะ์ควาว่าอธิทินางนี่ได้แก่ทานที่บุคคลให้แล้วมีผลต้องมีความคิดเห็นแบบนี้นะจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิทานที่บุคคลให้แล้วมีผลอธิยิจถัง การบวงสวงมีผลอธิหุตางการบูชามีผลอธิสุกตาทุกตานางกรรมานางพลังวิปากโกวิบากหรือผลของกรรมทั้งหลายที่จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นมีผลให้ได้รับนะ อ, อธิอายังโลโกโลกนี้มีเนี่ยเมื่อเมื่อมีอัตภาพร่างกายในชาตินี้มีขันมีอายตนะมีธาตุในชาตินี้ อธิปรโลกโกแสดงว่าโลกหน้าต้องมีเพราะปัจจุบันนี้เป็นต้นเหตุที่จะไปสร้างอัตภาพสร้างรูปร่างกายสร้างนามธรรมสร้างรูปธรรมสร้างขันห้าสร้างอายตนะในอนาคตได้คือโลกหน้ามีนะอธิมาตามารดามีคุณอธีปิตาบิดามีคุณอธีสตาโอป ป, ปาติกาสัตย์ผุดเกิดขึ้นมี อย่างเช่นเทวดามีพรหมมีสัตว์นรกตายไปแล้วถ้าทำบาปอกุศลคือมีโทสะในใจตายไปก็เป็นโอปปาติกะคือเกิดทันทีเลยเป็นสัตว์นรกตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอปปาติกะอย่างเช่นพญานาคดังที่กล่าวก็เป็นโอปปาติกะ มีอยู่สองประเภทประเภทที่เป็น เ, เกิดตามธรรมชาตินะเหมือนตะกูลงูก็เกิดในไข่แล้วก็เกิดผุดโตขึ้นทันทีมีอยู่สองชนิดพญานาคนะ <c oughs> ที่เกิดตามธรรมชาติจะไม่มีฤทธิ์แต่ถ้าเกิดแล้วโตทันทีชนิดนี้จะมีฤทธิ์ เรียกว่าโอปปาติกาเปรตอสุรกายมนุษย์มีไหมมนุษย์เกิดและโตทันทีเลยเคยเห็นไหมมีไหมไม่เคยเจอนะเกิดไม่ทันยุคต้นกลับนู่นเมื่อโลกถูกทําลายโลกโลกใบนี้จะถูกทําลายนะระยะเวลาก็หนึ่งอสงไขจะถูกทําลายไป แล้วก็จ ะ, จะเจริญขึ้นมาใหม่หนึ่งมหากับกหนึ่งมหากับจะถูกทําลายเมื่อถูกทําลายไปแล้วก็จเจริญขึ้นมาใหม่เมื่อเจริญขึ้นมาใหม่พรหมที่เป็นอาภัสราพรหมที่เราท่องเนี่ยอาภัสารานางธรรมานังเทวานงางศาสทางสุตวา่าเคยได้ยินไหมบทไหนเนี่ย ธรรมจักรกับปวัตนาสูตร <c oughs> อาพัสรพรมลงมาเกิดเพราะหมดบุญอายุไขของอาพัสรพรมหมดเมื่อหมดแล้วก็ลงมาเกิดตอนนั้นเป็นสัตว์ที่มีบุญยังหาะได้ยังมีแสงพรรมชนิดนี้มีแสงเมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วก็ใช้แสงของตัวเองเนี่ยท่องเที่ยวไปในโลกมนุษย์เนี่ย เสร็จแล้วเมื่อไปเห็นโลกมนุษย์ก็มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำพึ่งนะก็เลยใช้มือนะไปไปควักนะไปจับมาเพื่อที่จะมากินมาชิมดูนะมากินเสร็จแล้ว ก็มีรสชาตินะเกิดขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเนี่ยพรมไม่มีคาณนประสาทถ์ไม่มีชิวหาประสาทถนะ์ไม่มีกายยะประสาท์ไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นแต่เมื่อเมื่ อ, เ, อเมื่อหมดบุญมาเกิดที่โลกมนุษย์เนี่ยของเก่าก็ยังติดมาอยู่แต่คราวนี้ เมื่อใช้กายสัมผัสไปสัมผัสประสาทสัมผัสก็เกิดขึ้นเมื่อนำมาแตะที่ลิ้นชิวหาประสาทก็เกิดขึ้นคานาประสาทก็เกิดขึ้นดังนั้นจึงทำให้เมื่อกินเข้ามากๆเข้าร่างกายก็หนักอันนี้คือโอปปาติกะเมื่อร่างกายหนักแสงก็หมดเมื่อแสงหมดก็กลัวกันอันนี้พวก บรรพบุรุษของเรานะไม่ใช่ลิงบรรพบุรุษของเราเป็นพรหมร่างกายก็หนักแสงก็หมดพอแสงหมดก็กลัวสุริยะก็เลยเกิดขึ้นสุริยะแปลว่ากล้าทำให้คนกล้าเพราะมีแสงก็เลยเรียกสุริยะบ้านเราก็เรียก บ้านอันอตมารเรียกว่าตะเวนตะเวนตะเวนสาวแท็กเรียกว่าพระอาทิตย์ทำให้คนกล้านะเรียกว่าสุริยะก็กเลยได้ใช้แสงของพระอาทิตย์นั่นแหละประกอบการงานนี่ต้นต้นกำเนิดของมนุษย์เป็นแบบนี้นะ อย่าให้ฝรั่งหลอกล่ะไม่ใช่ลิงนะอันนี้คือโอปปาติก่ไหมเกิดแล้วโตวทันทีเป็นมนุษย์เทวดาพยายามหน้าก็เป็นภพภูมิของสัตว์เดรัจฉานก็ะจะอยู่ในมหาสมุทรใหญ่ๆอยู่ในแม่น้ำเ อ, อ้ามีนี่ แม่น้ำโขงก็มีเขาไปดูกันออกพรรษานะจะมีบ้างไฟพญานาคแม่น้ำโขงพญานาคทำไว้พญานาคบูชาพระพุทธเจ้าเวลาออกพรรษาก็ทำให้มีแสงเกิดขึ้นในในคำสอนในพระไตรปิฎกมีเรื่องของพญานาค เยอะเกี่ยวกับเรื่องของพญา น, นาคนะเช่นคนก่อนจะบวชไก็เป็นพญา น, นาคเช่นเวลาพระพุทธเจ้ารอยถาดถาดนั้นก็ไปอถอดที่ถาดที่เจ้าชายสิทธัตถอธิษฐานก็ลอยทวนน้ำขึ้นไปประมาณ60สบศอกหรือ80ดสบศอกก็ จมลงไปในแม่น้ำเนลันชลานั่นแหละเสร็จแล้วถาดก็ไปเลี่ยงใต้ล่างถาดทองคำนันนะที่ได้จากนางสุชาดาถวายเนี่ยก็ไปรองใต้ล่างเป็นถาดที่สี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดมาแล้วสี่พระองค์แล้วก็จะมีพญานาค เฝ้าไว้เฝ้าตรงนั้นไว้สมัยก่อนนี่เป็นสัมมณีนะก็ทาเวรทำกรรมไว้ก็เลยได้เกิดเป็นพญานาคเพราะอยากนอนคนที่อยากนอนมากๆนี่ก็เลยปรารถนาที่จะนอนให้เต็มที่เลยนอนผ่านไปแล้วสี่พุทธันดรเพราะพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแล้วสี่พระองค์ พอได้ยินเสียงถาดกระทบกันดังแก๊กก็พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วเลยเนี่ยที่จริงพระพุทธเจ้าจะเกิดแต่พระรับพระองค์เนี่ยต้องผ่านไปแผ่นดินสูงขึ้นเนี่ยสิบหกกิโลเมตรนะแผ่นดินที่ทับถมทับถมกันเนี่ยหนาถึงสิบหกกิโลเมตรพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นอีกหนึ่งพระองค์ นี่พญานาคาราณาคันราตัวนี้ก็ได้ยินเสียงถาดกระทบกันก็เอ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยผ่านไปแล้วสี่พระองค์อยากนอนยาวๆไหมยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์นะพระศรีอริยเมตไตรนะยังเหลืออีกหนึ่งพระองค์ ต่อไปข้อที่สิบนะอัติโลเกสมณพรามนาสมัคตาสัมมาปฏิปันาเยอีมันจะโลกังปารัญจะโลกังสยังอภิญญายัสจิัตวาประเวเทนตินะสมณะพรามทั้งหลายผู้ประพฤติดีมีสัมมาปฏิบัติกระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกหน้าธรรมอภิญญา รู้ด้วยตนเองย่อมทรงประกาศให้รู้ตามในโลกนี้ในโลกนะอันนี้คือพระอรหันต์ต่างๆหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีเนี่ยนี่คือสัมมาทิฏฐิเรียกว่ากรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญา น, นี่ก็เป็นศีลนะศีลความไม่โลภอยากได้ของคนอื่น ที่คิดอยู่ในใจเนี่ยกลุ่นอยู่ในใจที่อยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยคิดอยู่ในใจนี้ถ้าอยากได้ของคนอื่นบาปอากุศลเกิดขึ้นแล้วนะศีลถูกทําลายแล้วแต่เมื่อไหร่ที่มีส ม, มาทิที่ที่มีความไม่โลภอยากได้ของคนอื่นเขาเนี่ยในเวลานั้นศีลมีถ้ามีใจขุ่นมัวขัดเคืองหงุดหงิด พยาบาทคิดอาฆาตนี่เกี่ยวกับเรื่องศีล น, นะศีลไม่มีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาอย่างนี้มีศีลเรียกว่าเจตสิกศีลหรือแม้แต่มีปัญญาเห็นถูกต้องแต่ถ้าเห็นไม่ถูกต้องก็เห็นเห็นตรงข้ามกับสิบประการนี้เอาทานให้ ไ, ไปไม่มีผลหรอกการบูชา ไม่มีผลให้ได้รับพ่อแม่ไม่มีบุญคุณหรอกถ้าคิดต่างจากนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิฐินะเดี๋ยวมิจฉาทิฐิก็จะมีนะต่อไปข้างหน้านะในลักษณะของเจตสิกหกตัวนะสัมมาวจาสัมมากรรมนสัมมากมมันตะสัมมาชีวะ อนาพิชาความไม่โลภอยากได้อพยาบาทความไม่โกรธไม่กัดไม่กัดเคืองไม่อาฆาตพยาบาทเนี่ยนะแล้วก็สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องคราวนี้มาดูสังวรบ้างศีลอย่างที่สามคือสังวรศีล สังวรสีนั้นมีอยู่หสังวรคือความสำรวมที่จะปิดกั้นบาปเนี่ยนะปาติโมคสังวรหรือสีสังวรสติสังวรหรืออินสริยะสังวร อ, อย่างที่สมคือญาณสังวรได้แก่ปัญญา หรือปัจยะสันนิสิตาสีนได้แก่การพิจารณาปัจจัยสีอย่างที่4ี่คือขันติสังวรมีความอดทนเป็นเรื่องของศี น, นะอย่างที่หคือวิริยะสังวรหรืออาชีวปาริสุทธิสีล นี่เป็นเรื่องของศีลนะปาติโมกสังวรศีลเกี่ยวกับศีลห้าของเราศีล 8, ปศีลส0ศีล227ิพร้อมท้งอาภิสมาจาริกวัดได้แก่ดูแลอุปชาดูแลอาจารย์ดูแลเสนาสนะโรงอุโบสถโรงครัวหรือแม้แต่ห้องน้ำนี่เป็นเกี่ยวกับ เรื่องของปาติโมกสังวรลสี น, นั้นคําว่าปาติปาติเนี่ยแปล ว, ว่าอบายแปลว่าอบายโมกขะแปลว่าพ้นปาติโมกแปลว่าพ้นจากอบายนะถ้ารักษาสังวรศีีเนี่ยหรือปาติโมกสังวรศสีนเนี่ยก็ชื่อว่าจะทําให้พ้นจากอบายคราวนี้มาดูสติสังวรนะ สติสังวรก็คือการสำรวมนะทางตาหูจมูกกลิ้นกายและใจนะก็มีพระสูตรที่ท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุในพราศาสนานี้เห็นแล้วซึ่งรูปด้วยจกักษุย่อมไม่เป็นผู้ถือเอาซึ่งนิมิตนะคือถือเอาเพศ ว, ว่าเป็นหญิงเป็นชายนะ ที่เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระเดินพินาศเนี่ย ก, ก้มต่ำมองดูแค่ข้างหน้าเท่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรเพื่อสํารวมนะย่อมไม่ถือเอาโดยนิมิตนะที่เป็นเหตุแห่งการรู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสไม่งั้นกิเลสมันจะเกิดขึ้น เช่นสุภานิมิตน่คืออาการที่ปรากฏเป็นเหตุให้เกิดราคะปฏิคานิมิตก็เป็นเหตุให้เกิดโทสะคือความขัดเคืองความโกรธหรืออุเบกขานิมิตเป็นที่ตั้งแห่งโมหะคือความรุ่มหลงนั่นเองนะเธอตั้งอยู่ในอายตนะ ได้แก่จะขู่วิญญาณทางความคิดที่เกิดทางตาเนี่ยนะแล้วก็วิถีจิตทั้งหลายได้แก่เวลามันเกิดจิตเวลาเกิดไม่ได้เกิดดวงเดียวเกิดมาเป็นแผงที่บอกว่ากระพริบตาครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นแสนโกรธแสนโกรธนี่นะดังนั้นเวลาที่ให้ผลจึงให้จำนวนมากไงทำบาปก็ให้จานวนมากทาบุญก็ให้จานวนมากนะเพราะ ในขณะความคิดเกิดเกิดจำนวนมากเลยแต่เพราะเรามีโมหะเราจึงไม่รู้ความเป็นไปของความคิดนั้นนะเรียกว่าวิถนะีวิถีจิตคือการทางดำเนินความเป็นไปของความคิดนี่นะให้สักว่าถือเอาเท่านั้นนะถือเอาว่าเป็นเป็นรูปนะสักว่าได้เห็นเท่านั้น เ, เวลามองไม่ใช่ว่า คนนั้นหญิงคนนั้นชายก็จะเป็นที่ตั้งแห่งโลพะโทสาโมหะถ้าถือเอาโดยอนุปยาญชนะล่ะได้แก่การดูว่าเป็นลักษณะของมือเท้าสีรษะการยิ้มการหัวเราะการพูดการเจรจาเหลียวดูก็จะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสก็คือโลพะโทสาโมหะนะถ้าเรารู้แบบนี้ เ, ออเราเวลาที่เราไปใส่บาตรโยมเคยถามพระไหมหรือพระเคยสนทนาด้วยไหมอันนั้นจะทำให้กรรมฐานของท่านเสียนะเวลาที่ท่านพูดออกมาเวลาที่เรารับบาตรเวลาที่พระรับบาตรเวลาที่เราใส่บาตร หรือแม้แต่การให้พรเนี่ยจะทำให้กรรมฐานที่ดัานถือไปเสียไปด้วยนั้นเวลาที่โยมใส่บาตรก็อย่าอย่าคิดว่าะจะต้องรับพรแล้วจึงจะสาเร็จเป็นทานนะในขณะ ท, ที่ในขณะ ท, ที่โยมให้เนี่ยทานสาเร็จแล้วนะไม่ใช่ต้องรอรับพรก่อนกิจในการให้ไม่ใช่รอรับพรแล้วจึงเสร็จนะบางคนก็บอกว่าขอ ขอกล่าวคำถวายหน่อยออกล่าวคำถวายในเรื่องยาวเลยบางคนไม่ได้พูดแบบนี้ด้วยยกอย่างนี้โยมผ่าก็รอไปเถอะโยมเมื่อไหร่จะใส่ผ่านไปห้านาทีคุโยมทำไมไม่ใส่สักทีเรียกเอาหลาบับเคยชินอธิษฐานเยอะ พออธิษฐานเยอะพระ ก, ก็รอนา น, นาโอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะโยมนะจะสำเร็จแล้ว ส, สำเร็จในการให้เนี่ยโยมก็ค่ายควรมาก่อนเลยมาพอมาถึงปุ๊บก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงเจตฐาคดโพธิศรามีศรัทธาเชื่อมั่นในการตัดสรุป ข, ของพรเจ้าแล้วก็ถวายรอนานพระ ก, ก็บางที ลืมขึ้นมาลืมตาขึ้นมาพระไปแล้วก็มีนะบางทีพระใจร้อนมีธุระก็รีบไปก่อนโยมลืมเงยขึ้นมาไม่เห็นพระแล้วก็มนะีอันนี้คือก็เพื่อให้พระสำรวมนั่นเองเวลาท่านเดินบิณฑบาตนะก็ให้ท่านได้ปฏิบัติทำไปให้ท่านได้ถือกรรมฐานไปก็ไม่ต้องชวนท่านคุย หรือท่านไม่ให้พรก็ปล่อยท่านไปนะไม่ใช่อุ้ยพระพระคุณเจ้ายังไม่ได้ให้พรเลยนะไม่ได้สําเร็จที่พรสําเร็จที่เจตนาของโยมนั่นแหละตั้งแต่ก่อนให้เนหะ็นขณะให้แล้วก็หลังใหนะ้อันนี้โยมก็เข้าใจผิดคิดว่าจะต้องเป็นพรเท่านั้นจึงจะสําเร็จเป็นบุญนะอันนี้ถือเอาโดย อนุปยัญชนะก็คือการรู้ลักษณะมือเท้าสีสะการยิ้มการหัวเราะ ก, การพูดการเจรจาพวกนี้นะคราว น, นี้อากุศลรธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปคืออภิชาความโรภความอยากได้โทมนัสความเสียใจเนี่ยก็จะไหลออกตามซึ่งบุคคลนี้ผู้ไม่กั้นนะไม่ปิดกั้นนะั่นเองไม่ไม่มีสติ นะหรือไม่มีอินทรีย์สังวรสีเนี่ยในการควบคุมทางตาแม้ทางหูโสตินทรีย์ทางจมูกคานินทรีย์ทางริ้นชิวหินทรีย์ทางกายเรียกว่ากายยินทรีย์ทางใจเรียกว่ามณินทรีย์ทั้งหมดนี้จะต้องปิดกั้นเพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจนี่เรียกว่าศีล น, นะคนที่มีสติ ดังนั้นเวลาที่เราดูลมหายใจเห็นไหมใช้สติในการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกถ้าอยู่ในทุกข์ที่แสดงว่าเรามีมีศีลไหมมีสติสังวรเห็นไหมชื่อว่ามีศีลแล้วศีล น, นั้นเป็นไปเพื่อออกอยากว่าตัาทุกข์ด้วยเราเลยเรียกว่าอาทิศีรสิกขา หน้าดูไม่ลมเป็นไปเพื่อออกเกี่ยวกวัตถนะุกกําจัดอภิชาและโทมนัสได้นะสติสังวรต่อไปยานสังวรนะเคยได้ยินไหมโยมยานสสังวร สมเด็จว่าสังฆราชใช่ไหมยานัสสังวรหนึ่งร้อยพรรษาแล้วปีนี้อายุยืนไหมพอไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์นะอันนี้เกี่ยวกับปัญญาปัญญานะในการพิจารณาปัจจัยสี่เวลาใช้สอยทุกครั้งใช้ผ้าพิจารณาไหมว่าผ้านี้สำหรับ ป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันเรือบยุงรมแดดและสัตว์เลือ้อยคลานสำหรับปกปิดอาไว้ว่าอันให้เกิดความละอายถ้าใครไม่ปกปิดแสดงว่าไม่มีความละอายจากนั้นจะจำเป็นต้องปกปิดไว้ถ้านักบวชบางลทัทธิเนี่ยไม่ปกปิดร่างกายแสดงว่าไม่มีความละอายไม่มียานะสังวร ไม่มีปัจจะยะสันนิศิตศสีนีคือพิจารณาปัจใจสีเนี่ยนั้นแล้วก็รู้เหตุผลเราจะไปเลือกยี่ห้อไหมคราวนี้ต้องเป็นยี่ห้อดังๆจำเป็นไหมยี่ห้อดังกับร้อยเก้าเก้าหรือเก้าเก้าเนี่ยสามารถป้องกันแดดป้องกันลมได้ไหมหรือจาเป็นจะต้องเสื้อตัวละหมื่น ตัวละหมื่นกับตัว99เนี่ยลักษณะที่เอามาใช้ประโยชน์เท่ากันไหมโยมลักษณะนี่ก็คือประโยชน์ที่เราจะใช้เนี่ยได้แก่ป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันเหลือบยุงลมแดดต้องมีห0บชุดไหมแค่ป้องกันแดดเนี่ยป้องกันเหลือบยุงลมเนี่ย ไหนใครมีเกินห้าสิบโอ้โหน้าอิจฉานะอิจฉาก็เป็นบาปหน้าอิสานะในภาษาบาลีก็เป็นบาปวกุสุนิกอัตมามีชุดเดียวใครมีเกินห้าสิบมาแบ่งอัตมาด้วยนะ <c oughs> ผ้าหม่มหนึ่งผ้านุ่งหนึ่ง แล้วก็มีภาคคุมกันหนาวอีกหนึ่งสามไปได้ทุกงานไม่ต้องเปลี่ยนเลยงานแต่งก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานบวชก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานศพก็ไม่ต้องสีดำไปประท้วงก็ไม่ต้องสีเหลืองสีแดงเห็นไหมสีเดียวตลอดสบายนะซักง่ายไหมง่ายไม่เหนื่อย ใครไปซักให้เราก็ไม่เหนื่อยเพราะมีแค่ทีละหนึ่งส่วนผ้านุ่งไม่ต้องเอาไปซักให้ทําไมโยงก็มีอยู่อันเดียวต้องซักเองซักเองแล้วก็พยายามทําให้แห้งให้ไวไม่งั้นไม่ทนันกับการสับเปลี่ยนเวลาอันนั้นเป็นการบริหารของพ้านะ แต่วเมื่ อ, อไหร่โยมมาบวชโยมจะรู้วิธีนะโยมบรวัตโยมจะรู้วิธีว่าบริหารอย่างไรนะก็มีแค่นี้แหละไปได้ทุกงานนี่พิจารณาปัจจัยสี่เพราะพิจารณาในเรื่องของผ้าแล้วคิดดูว่ากิเลสยึดว่าเป็นของเราหมดเลยนะชุดสีแดง สีเขียวสีเหลืองสีชมพูยึดหมดเลยเถ้าเกิดมีมากยึดมากไหมยึดมากถ้าเกิดมีน้อยก็ยึดน้อยใช่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนี้กำลังทำลายเหตุปัจจัยให้กิเลสที่มันจะมีกำลังมากมันก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงนะเพราะเราไม่ให้อาหารมันก็เหลือน้อยลงน้อยลงนิยมมาชุดเดียวใช่ไหมเนี่ย โยมนมามาชุดเดียวกันใช่ไหมหรื อ, อยังห้าสิบเหมือนเดิมนี่แหละเห็นไหมก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงที่เหลือเราก็ใช้แค่นี้ก็เพื่อให้สำเร็จประโยชน์แค่นั้นเองนี่เรียกว่าการพิจารณาผ้าอาหารละ่ะยิ่งกินน้อยยิ่งดียิ่งลดลงน้อยยิ่งดีเพราะอะไร แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยโยมอืมอร่อยอันนี้ก็อร่อยอนอ้นอนก็อร่อยแล้วแต่ละคำเนี่ยเป็นไปเพื่อโลภะไม่ใช่แต่ละคำเท่านั้นแต่ละที่เคียวล่ะแต่ละงับแต่ละงับเนี่ยเป็นไปกับด้วยโลภะ หวยอันนี้ไม่อร่อยขมเผ็ดแสลงโรคนี่ก็ทำให้เป็นไปกับด้วยโทสะได้กินไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นไปกับด้วยโมหะยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกิเลสมากถ้าไม่กินเลยไม่มีกิเลส จะอยู่ได้ไเนี่ยกินให้หน้อยที่สุดนะแล้วในขณะที่กินให้ดูลมไปในขณะดูลมก็มีสติสังวรนะให้ชํำเรืองให้ใส่ใจที่ลมนะก็กินไปคราวนี้ก็จะไม่สนใจเรื่องรสชาติไม่สนใจความอรเร็จอร่อยก็จะสำรวม แล้วก็ตัดเหตุตัดปัจจัยด้วยกินให้น้อยลงเช่นมารักษาศินแปดก็จะกินน้อยลงแล้วรับประทานได้น้อยลงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลส ท, ที่จะเกิดขึ้นนะเรียกเรียกว่าสัมมาประานด้วยกิเลส ท, ที่จะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอากุศลกรรมที่จะเกิดไม่ให้เกิดขึ้นนี่เรียกว่าพิจารณาในอาหารแต่ละคําเลยนะ ต้องดูลมตลอดหรือแม้แต่พิจารณาในกรรมฐานอื่ น, นก็ได้อย่างเช่นพิจารณามารณสติถ้าในขนาดนั้นเราดูลมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชัดเลยเราเปลี่ยนไปดูมรณสติก็ได้แต่ควรจะฝึกดูลมให้ชัดแต่ถ้ามีกิจอื่น ร่วมด้วยอย่างเช่นการเดินแล้วดูลมหายใจกินข้าวแล้วดูลมหายใจเนี่ยก็จะดูลมหายใจได้ไม่ไม่ค่อยได้มากแต่ไม่ใช่ดูไม่ได้นะก็จะดูได้ฝึกให้เคยชินให้คุ้นเคยกับลมนั่นแหละเวลาเรามานั่งสมาธิก็จะได้ได้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วนะส่วนในพิจารณาวรณสติก็คือในขณะที่เรากินไปแต่ละคำเนี่ยอาจจะใช้เวลาหน่อยนะแล้วก็พิจารณา เป็นโชคดีของเราแล้วหนอหน่าปลื้มใจหนอที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อเคี้ยวอาหารและกืนคำข้าวได้หนึ่งคำหรือสองคำเราจะได้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศ า, าสดาสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามเราจะไม่ทำเราจะทำเฉพาะสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตจะประพฤติปฏิบัติขัดเกลานาตัวเองออกจากวัตทุกในชาติปัจจุบัน จะได้ไม่ตกเป็นทาตของกิเลสไม่เดือดร้อนเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสในอบายทุกขติวินิบาตนโลกอีกอันเป็นเหตุยังบา ร, รมี3าสิบทัศให้เต็มบริบูรณ์นะเพื่อพนานิพานกินข้าวแต่ละคำดูสิมีความสุขไหมได้อยู่กับพระพุทธเจ้าทุกคําคืนลองดูไหม ฉันไม่ได้หรอกเพราะถันต้องรีบธุรกิจการงานเยอะอันนี้โยมก็ต้องแบ่งแบ่งเอาว่าการงานที่เราเราทำอยู่ก็เพื่อประโยชน์ในชาตินี้นแต่การปฏิบัติกรรมฐานหรือการเจริญวิปัสสนาหรืออาณาปานสติ หรือทานศีลภาวนานี่แหละเป็นที่พึ่งให้เราที่ทำทั้งประโยชน์ประโยชน์ในชาตินี้ด้วยประโยชน์ในชาติหน้าด้วยและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยดังนั้นเราก็ต้องต้องแบ่งแบ่ ง, บงสัสดส่วนในการใช้ชีวิตในการบริหารการงานบริหารความรู้ที่จะเป็นไปเพื่อออกจากวัตทุ พิจานณาที่อยู่อาศัยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือที่วัดที่เราเข้าไปอยู่อาศัยหรือสถานทีป่ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นศาลาที่ปฏิบัติหรือที่ห้องนี่คือเสนาสนะที่เราเข้าไปทั้งหมดมีการพิจารณาว่า เสนาสนะที่เราใช้สอยอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อบังแดดบังฝนป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานนะและเป็นไปเพื่อปฏิบัติให้ภาวนานั้นเจริญขึ้นให้การปฏิบัติสมถาวิปัสสนานั้นเจริญขึ้นเ น, นี่ยพิจารณาในเสนาสนะ คราวนี้ยารักษาโรคเนี่ยต้องมีการพิจารณาตลอดไม่งั้นแล้วก็เป็นนิดเป็นหน่อยก็อ้าวพาลาเป็นนิดเป็นหน่อยก็อ้าวยาแก้ปวดท้องยาแก้นื่นแก้นี้หรือแม้แต่เป็นนิดหน่อยก็ไปโรงพยาบาลแบบนี้ก็ให้พิจารณาถ้าเกิด อดทนได้อดทนดูก่อนนะเพื่อหรือแม้แต่เลือกยาก็ให้พิจารณาว่าสิ่งนี้จะแก้หรือจะทำให้กระแสชีวิตของเราเนี่ยเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติธรรมไดนะ้มีการพิจารณายารักษาโรค ก็มีการพิจารณาปัจจัยสี่ให้คล่องแคล่วเนี่ยชื่อว่าบริหารปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นหรือแม้แต่อาหารเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้เนี่ยมีอยู่สี่มีอยู่แปดอย่างนะในบทพิจารณาบทพิจารณาอาหารเนี่ยมีอยู่แปดอย่างก็คือไม่ใช่เพื่อเร่นไม่ใช่เพื่อประดับ ไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานเนี่ยนะเนี่ยป้องกันโลภะโดยตรงป้องกันโทสะโดยตรงไม่ใช่เพื่อความมัวเมานี่ป้องกันโมหะ่หเวลากินเข้าไปเนี่ยแล้วแต่เราจะใช้บทไหนที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบทบทพิจารณาปัจจัยสี่ก็มียงเคยท่องนะ ปฏิสังขายโยหรืออัจชมิยะกลุ่มเหล่านี้เป็นการพิจารณาอาหารหรือพิจารณาปัจจัยสี่ทั้งหมดจะทำบริหารปัญญาเพิ่มปัญญาของตัวเองให้เข้มแข็งมากขึ้นปัญญาก็จะได้มาพิจารณาในมามาบริหารในเรื่องของทานเรื่องของสีลหรือเรื่องของการทำสมาธิเนี่ยจะได้เห็นลมนะ จะได้เห็นลมได้ดีขึ้นเพราะปัญญาก็จะไปเสริมให้สติไปเสริมสมาธิไปเสริมเรื่องทาเรื่องศีลไปเสริมเรื่องเจต น, น า, นาให้บริบูรณ์ขึ้นมั่นคงขึ้นอันนี้เรียกว่ายาณสังวรอันนี้มาดูขันติสังวรขันติสังวรที่กล่าวบ่อยๆพูดบ่อยๆหรือเราเคยได้ยินว่าความอดทนความอดทนนั่นแหละ ความอดทนอดกลั้นนะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างไดนะ้ลักษณะของความอดทนนะในพระบาลีมีว่าขโมโหติสีตัสสะอุณหัสสะอันนี้อดทนต่อความหนาวและความร้อนนะส่วน ธรรติอธิวาเสติติตขโมนะทำใดย่อมอดทนคือย่อมยอมรับได้เนี่นะเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอดทนหรือยอมรับได้เรียกว่าอธิวาสนะขันติเนี่นะเช่นนะในมัชชิมันิกายมูละปนนาสนะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายอย่างไหนที่จะพึงละเพราะการยอมรับได้ นะคืออดกั้นนะนะภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาแล้วโดยยินโยนิโสมนัสิกันเป็นผู้อดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความหิวความกระหายอดทนต่อความสัมผัสแห่งเหลือยุงลมแดดอดทนสัมผัสนันเกิดจากสัตว์เลื้อยคลาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคนทั้งหลายอันใดพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ยอมรับไม่ได้คือไม่อดกั้นนะอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคลนเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้อดทนหรืออดกัน้นหรือยอมรับได้นะ <c oughs> อันนี้คืออดทนต่อความหนาวพระเถระในสมัยก่อนท่านก็ให้พิจารณาว่า ถ้าเราเจอความหนาวเวลานั่งไปเนี่ยมีความหนาวเกิดขึ้นให้พิจารณาว่าถ้าเรามีความเห็นผิดคือบาปอากุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิสามประการจะทำให้ไปโรกันตริยะนรกก็คือเป็นสัตว์ที่มี ร่างกาย12กิโลเนี่ย3 า, าวุธนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ขอบปากจักรวาลเจอสัตว์จำพวกเดียวกันก็จับกินทะเลาะกันเพื่อที่จะแย่งชิงอาหารกันแล้วก็ตกลงไปน้ำน้ำกรดอย่างที่พระอาจารย์กล่าวเนี่ยให้พิจารณาเห็นว่าแม้เราก็ไม่พ้นจากอัตภาพนั้นสามารถที่จะไปเป็น สัตว์ในโลกันตริยะนรกนั้นได้หรือในอดีตที่ผ่านมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าได้แสดงยมกปาฏิหาเราก็มีโอกาสได้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่เพราะความหลงในภพชาตินั่นเองจึงทำให้เรามาอยู่ถึงปัจจุบันนี้จึงทำให้เราเป็นผู้หลงรุ่มหลงในภพชาติจนเป็นเหตุให้ เราเนี่ยไปเกิดในโรกันตริยะนรกมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วเราก็พิจารณาว่าแม้ในอนาคตเราก็ยังไม่พ้นหรือเราเคยเกิดในโรกันตะลินโรกันตริยะนรกมาแล้วเจอความหนาวเหน็บนี้มาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติดัง น, นั้นถ้าเรายัง ปฏิบัติทำลายกิเลสไม่ได้ออกจากวัตะทุกไม่ได้เราก็จะมีโอกาสกลับไปบ้านเก่าอีกเราจึงต้องอดทนต่อความหนาวนั้นให้ได้ไหวไหมมาดูอดทนต่อความร้อนพระเถระก็แนะนำว่าที่เคยประพฤติปฏิบัติจนสำเร็จมานะ ได้แก่พระาหานพระเถระต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระส า, ารีบุตรพระโมคคาณนะพระมหากัสปะที่เคยปฏิบัติ บ, ตบรรลุมาแล้วท่านเหล่านั้นก็บอกวิธีไว้นะว่าถ้าเกิดเราเจอความร้อนก็ให้อดตนอดทนนะดอดกลัน้นโดยคิดว่าเราเนี่ยเคยเกิดมาในอเวจีมหานรก เพราะเราเคยทำบาปอากุศลกรรมหนักมาอย่างเช่นเคยฆ่าพ่อเคยฆ่าแม่เคยฆ่าพระหรันเคยทำพระพุทธเจ้าถึงพระโลหิตห่อเคยทำสังฆเภททาสงให้แตกกันมาแล้วเราเคยไปเกิดทำกรรมหนักจึงเกิดในอเวจีมหานรกที่ร้อนร้อนมาแล้วมีร่างกายสูงใหญ่นะมีเหล็กแหลมทั้งร้อน ทั้งใหญ่เท่าลำตาลเสียบในทิศทั้ง8ทิศ ต, ตรึงอยู่กับอเวจีมหานรกนั้นมายาวนานไม่รู้กี่กี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่อสงไขยให้พิจารณาว่าถ้าเรายังไม่พ้นเราก็มีโอกาสที่จะกลับไปเกิดในอาบาในอเวจีมหานรกนั้นอีก มีไหมมีโอกาสไหมถ้ามีเหตุหก็สามารถที่จะทำได้ค่าพอ่อถ้าแม่ถ้าในอัตภาพนี้ไม่ได้ทำชาติหน้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสไหมไปเกิดเป็นสัตว์ที่กิน สัตว์ที่กินกันสิกินเนื้อเช่นเสือเช่นแมวที่กินเนื้อเนะืุ้มเหล่านี้ก็มีโอกาสฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แต่อันนั้นไม่เป็นอนันตริยกรรมแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในบางชาติเราเกิดมารุ่มหลง ก็มีโอกาสที่จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ก็มีโอกาสที่จะไปในวเวจีมหาเนรกหรือแม้จะทำบาปกรรมเป็นประจาทำเป็นเนืองนิดทำบาปเป็นประจาก็มีโอกาสที่จะไปตกในนี้ได้ดังนั้นความร้านร้อนแบบนี้ถ้าเราไม่อดทนเพื่อไม่ให้เพื่อยังไม่ทำคุณธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นยังสมาธิ เกิดขึ้นไม่ได้ยังปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะเป็นเหตุให้เราไปเกิดในนรกขุมเหล่านั้นอีกในเอวจีมหารนรกอีกดังนั้นเราก็ต้องอดทนได้เพื่อที่จะยกตัวเองทําตัวเองให้พ้นจากอบายเหล่านั้นนะหรือพ้นจากวัฏทุกข์นั่นเองนะอดทนต่อความหิวความกระหายท่านบอกว่าเราเคยเกิดเป็นเปรตมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติ มีความหิวโหยมีความอยากากินอะไรก็ไม่ค่อยอิ่มหรือที่เราเคยได้ยินเปรตที่มีปากเล็กๆมีท้องใหญ่ๆนั่นแหละกินอะไรก็ไม่ค่อยอิ่มหรือแม้แต่เปรตที่มีแต่โครงกระดูกเปรตที่กินซากศพที่กินของศกระโปร ก, กโสโครก พวกนี้เป็นเกี่ยวกับความหิวกระหายให้คิดว่าถ้าเรายังไม่พ้นเราก็จะไปเกิดเป็นเปรตอีกนะหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มามากินเลือดอย่างเช่นยุงหรือมดที่มาไตา่ก็ให้พิจารณาว่าเรายังไม่พ้นนะจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเราก็มีโอกาสที่จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกดังนั้นเราก็ต้องรีบกระตุ้นตัวเองกระตุ้นใจตัวเองให้ ได้คุณธรรมที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อที่จะพ้นจากอบายเหล่านี้นะหรือแม้แต่สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเหตุหรือเป็นอาหารให้ขันติสังวรหรืออธิวาสนะขันตินั้นเกิดขึ้นได้นะมีตัวอย่างเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานนะ พิจารณาก็ถึงอัตภาพในการก่อนที่คึื่นเกือกอยู่หลายวาระในปากของราชสีหรือเสือโคร่งนะเราเคยเป็นอาหารของสัตว์เหล่านี้มาแล้วนะในสังสารวัตอันมีที่สุดบุคคลรู้ไม่ได้นะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวย่อมไม่ละทิ้งย่อมไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานเหมือนอย่างพระ ปธานิยเถระนะเรากันมาว่านะงูพิษตัวหนึ่งได้กัดพระเถระผู้กำลังฟังพระสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าอริยวังสสูตรนะในห้องรมกรรมฐานทำความเพียร น, นะในมหาวิหารชื่อว่าขันดาเจระพระเถระรู้ว่ายังมีจิตเลื่อมใสนั่งฟังอยู่นะ นั่งฟังธรรมนะกำกำลังของพิษเนี่ยก็แรงก้าขึ้นแรงก้าขึ้นนะพระเถระได้พิจารณาถึงศีลตั้งแต่ตัวเองอุปสมบทมานะตั้งแต่เริ่มแรกเลยยังปีติให้เกิดขึ้นว่านะปริสปริสุทธสีโรมิเรามีศีลบริสุทธ์พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งปีติ พิษก็ได้ลงสู่พื้นดินไปนะพระเทระได้แล้วซึ่งเอกขาตาจิตหมายถึงมีสมาธินะมีสมาธิแล้วก็จะได้ยังวิปัสสนาให้เจริญขึ้นเนี่นะเพื่อบรรลุความเป็นแห่งพลหันนี่คือท่านพิจารณาโดยอดทนอดกั้น ไม่สนใจกับความตายด้วยอดทนขนาดนั้นเนี่ยทนได้ไหมโดนงูกัดถ้าทนได้ก็มีโอกาสนะแต่ต้องมีข้อมูลข้อมูลต้องพร้อมนะพร้อมที่จะปฏิบัติสมาธิแล้วจเจริญวิปัสสนาต่อไปนะวิริยะสังวรหรือ อาชีวะปาริสุทธิศีนเนี่ยวิริยะสังวรหรืออาชีวะปาริสุทธิศีนี่เกี่ยวกับอาชีพการงานที่เราได้ทำนะในการประกอบการงานหรือทาธุรกิจหรือการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยอาชีพของเรานั้นจะต้องไม่ก้าวร่วงในในกายทุจริตสาม อาชีพนั้นจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมอาชีพนั้นจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการพูดเท็จพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเฟิรเจอร์เรียกว่าอาชีวะปริทธิศีลหรือวริยัสังวร น, นั่นเอง <c oughs> ถ้าทางพระก็มีเยอะเลยในข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องอ า, อาชีวะหรืออาชีพของพระ เช่นห้ามการทานายแบบนี้นะห้ามทานายส่วนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับเท้าเนี่ยนะดูลายมือลายเท้าพวกนี้เป็นข้อห้ามนะดูดูนิมิตนะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับกาบิน แบบนี้นะดูอุปาตะได้แก่ดูแผ่นดินไหวไฟไหม้อกาบาตกพวกนี้นะทำนายฝันพวกนี้เป็นข้อห้ามทั้งนั้นนะทำนายลักษณะหญิงลักษณะชายทำนายหนูกัดผ้าทำนายวิชาบูชาไฟพวกนี้น ะ, ะวิชาว่าด้วยวิธีบูชาไฟพวกนี้หรือแม้แต่การ เหอเหินเดินอากาศการหายตัวพวกนี้นะไม่ควรจะทำเพื่อที่จะแลกกับาอาหารบินทบาทหรือปัจจัยสี่เนี่ยนะอันนี้มาในพรมชารสูตรเล่มที่สิบเอ็ดในเล่มแดงแบบนี้นะพรมชารสูตรแล้วก็สามัญญผลสูตรต่อกันเลยเกี่ยวกับศีลของขรหัสห์มีเยอะนะมี จุลศีลศีลเล็กๆน้อยๆของคารหัสมชิมาศีลเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มหาศีลเป็นของคาวาะอันนี้คืออาชีวปริสุที่ศีลที่ไม่ให้ทำอย่างเช่นญาติโยมก็เว้นจากเว้นจากการค้าขายน้ำเมาค้าขายอาวุธ ค้าขายยาพิษค้าขายยาเสพติดค้าขายสัตว์ค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์ที่จะนําไปฆ่าเนี่ยให้งดเว้นจากอาชีพกลุ่มนี้หรือแม้แต่การงานที่เราทําที่มีความเพียรประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตความเพียรของเราเนี่ยที่มีความพยายามที่จะเกิดขึ้นในการใน การงานนั้นหรืออาชีพนั้นเป็นไปกับด้วยการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์การประพฤติผิดในการมพวกนี้เป็น เ, เรียกว่าการทําที่ผิดศีลหรือแม้แต่การงานนั้นเป็นไปเพื่อการโกหกทําให้พูดคําหยาบหรือแม้แต่ทําลายให้แตกความสามคัคคีการพูดสียเสียหรือพูดคำเพรสเจอรไร้ประโยชน์ กลุ่มอาชีพเหล่านี้ก็จะเป็นไปเพื่อการล่วงเราเมื่อศีลแต่ถ้าเราทำสำรวมนะมีความเพียรที่จะเป็นไปเพื่อกายสุจริตวจีสุจริตอาชีพนั้นการนานนั้นก็เป็นไปเพื่อที่จะสำรวมในศีลในชีวิตประจำวันของเราศีลก็จะเกิดขึ้นได้นะแม้แต่การทำงานอันนี้คือศีลดั้งห้า สังวรศีลต่อไปในกลุ่มที่ 4, สีศีลอย่างที่4นะมีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลและอวีติกมศีลอวีติกมศีลคือการไม่ก้าวล่วงหรือการละนั่นเองนะ อวิติกะมะศีล น, นะทำเป็นเครื่องไม่ก้าวร่วงมีวจนะถาว่าณวีติกะมะติเอเตนาติวีติกโมะบุคลณใดย่อมไม่ก้าวร่วงด้วยธรรมนี้เพราะเหตุนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าธรรมเป็นเครื่องไม่ก้าวร่วงได้แก่กุศลจิตุบาทจิตที่เกิดขึ้นที่เกิดมาเป็นกุศลนะที่เป็นไปกับด้วย การละไม่ล่วงละเมิดทางกายกับทางวาจาของบุคคลผู้มีศีลที่สมาทานแล้วสมาทานศีลแล้วนะในภิกษุณีวิพังในภิกษุณีวักในวินัยปีโดกกล่าวไว้หกข้อ การไม่ก้าร่วงของภิกษุณีนะภิกษุณีต้องอยู่รักษาศีลหข้อรักษาศีลสิบข้อแต่หข้อคือข้อ1ถึงข้อ6ที่เรารักษาเนี่ยไม่ให้ขาดเลยภายในสองปีจึงได้บวชเป็นภิกษุณีส่วนกลุ่มที่รักษาศีลสิบแล้วก็หข้อไม่ให้ขาดเนี่ยในระยะเวลาสองปีเนี่เรียกว่าสิกขามานา ก่อนที่จะมาบวชเป็นภิกษุณีสิกข า, านณะาแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เถระว่าไม่ได้สืบต่อมานะพวกเราก็เลยไม่เห็นแต่ที่เห็นเป็นภิกษุณีมาจากที่อื่นนะตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็มีอยู่สองสำนักแล้วนะเป็นภิกษุณีจากเห็นเ็นบอกว่าบวชมาจากประเทศศรีรังกานะ อันนี้ศิขาบทหกข้อรักษาสองปีเรียกว่าศิขมามานารักษาไม่ขาดเลยรักษาศีลสิบแต่หกข้อไม่ให้ขาดแล้วก็สามารถที่จะบวชเป็นภิกษุณีได้แสดงว่าสองปีจึงจะบวช ไ, ได้ครั้งหนึ่งสองปีบวชได้ครั้งหนึ่งภิกษุณีนะ อันนี้คือลักษณะของการไม่ก้าวร่วงในอุตรากุรุทวีปบ้านเราเนี่ยเรียกว่าชมพูทวีปชมพูทวีปนะเพราะมีสัญลักษณ์เป็นต้นต้นว่าต้นว่าใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของที่ชมพูทวีปเลยเรียกว่าชมพูทวีปนี่นะในอุตรากุรุทวีปนั้น เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะคนที่อยู่นั่นจะรักษาศีลห้าโดยปกติเราเรียกว่าปกติศีลนี่นะแล้วก็มีอายุถึง 1,000 ปีน่าอยู่มีต้นกระลัประพฤกนะอยากได้อะไรก็สอยเอาสอยเอานะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ไอ a d i p a แพ อยากได้ไอโฟน5สอยเอาในอุตรคุรุทวีปนี่เรียกว่าปกตินี่ปกติศีลเรียกว่าเป็นการก้าวล่วงเช่นกันเรียกว่าเป็นการไม่ก้าวล่วงระเมิดในศีล น, นะเรียกว่าปกติศีล กรนี้มาดูลักษณะของการไม่ก้าวล่วงอะไรบ้างนะภาษาบาีจะเยอะมากนะแล้วก็จะสรุปเป็นภาษาไทยเลยนะว่าศีลมีห้าประเภทคือะละกาลละซึ่งปานาติบาตเรียกว่าปหานาศีลทาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตเรียกว่าเวรมณีศีล เจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปานาติบาที่ว่าเจตนาศีลสังวารคือการปิดทวารที่เข้าไปของปานาติบาที่ว่าสังวรศีลทำเป็นเครื่องไม่ก้าวล่วงต่อมาปานาติบาที่ว่าอาวีติกมาศีลอันนี้ขยกมาอีกที่หนึ่งนะจึงมีห้าห้าอย่างศีลทั้งหลายมีสภาพคือย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนใจ ความไม่เบื่อเดือดร้อนใจก็จะเป็นไปเพื่อความปราโม์ความปราโม์ก็จะเป็นไปเพื่อปีติปีติย่อมเป็นไปเพื่อปัสสัทธิปัสสัทธิย่อมเป็นไปเพื่อสุกโสมนัสสุกโสมนัสย่อมเป็นไปเพื่ออาเสวนาศีลทั้งหลายมีสภาพอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อกระทำให้มากเป็นไปเพื่อความประดับเป็นไปเพื่อทำเป็นเครื่อง แต่งย่อมเป็นไปเพื่อเป็นธรรมเครื่องแวดร้อมนะย่อมเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตะย่อมเป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดในวัตะย่อมเป็นไปเพื่อความดับวัตะย่อมเป็นไปเพื่อสงบวัจจะวตะนะย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งย่อมไปไปเพื่อการตัดสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพานดังนั้นศีลทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อ นิพาณ น, นั่นเองนะคราวนี้วิธีการละของอวีติกมาศีลคือการไม่ก้าร่วงเลยนะก็คือการไม่ก้าลว ล, นะาาล่วงจากปานาติบาตไม่ก้าว่วงอาทินนาทานไม่ก้าวล่วง การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เนะี่ยไม่ก้าวล่วงกาเมสุมิฉาจาร์ เ, าเรียกว่าก้าวล่วงนะก้าวล่วงปานาธิบาทด้วยการไม่ก้าวล่วงปานาธิบาทหรือละนะใช้คำว่าละจะง่ายกว่านะละปานาธิบาดด้วย การไม่ฆ่าละอธทินาทานด้วยการไม่ลักละกาเมสุมิฉาจาร์ด้วยการไม่ประพฤติผิดในการละมูสาวาดด้วยการไม่พูดด้วยพูดการพูดคำสัตว์ละปิสุนาวาจาด้วยการไม่พูดคำส่อเสียด ละพลุสวาจาด้วยการไม่พูดคำหยาบละสัมผัปลาปะาด้วยการไม่พูดคำเพ้อเจ้อหรือไม่ก้าวล่วงนั่นเองกับการละก็ในเดียวกันนะละอภิชาคือความโลภด้วยความไม่โลภละความพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละความเห็นผิดด้วยความเห็นที่ถูกต้อง นี่เป็นลักษณะของกรรมประปุษิคือการไม่ก้าวร่วงลักษณะของศีลต่อไปนะยิ่งๆขึ้นไปก็คือการละกามฉันท ะ, นะเวลาที่เรานั่งสมาธิจะเจอบ่อยๆนี่นะละกามฉันทะด้วยเนคข ม, มะละพยาบาทด้วยอพยาบาทละถิ น, นามิทะคือความง่วงเหงาเศร้า ซ, าซึมเนี่ยด้วยอาโลกสัญญา หรือในวิสุทธิทมรรคละด้วยธรรมวิจยะคือการพิจารณาสอด ส, ส่องธรรมวิริยะคือความพิจารณาถึงความเพียรความพยายามนะแล้วพิจารณาถึงปิติคือความอิ่มเอิบใจทำความอิ่มเอิบใจให้เกิดขึ้นก็สามารถละความหดหู่ท้อถอยเสือ่อมได้ส่วนการละกามฉันทะละด้วยดูซากศพ หรือพิจารณาอาการ3 2ให้เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยเน่าเหม็นนะนะและพิจารณาถึงการออกจากการาพิจารณาถึงการบวชการละความพยาบาทความโกรธเคืองความกุนเคืองความเบื่อหน่ายด้วยเมตตานะเดี๋ยวเย็นนี้จะพาค่อ <c oughs> ควรนะในเรื่องของเมตตาแล้วก็ใช้ขันติ เพราะขันติกับเมตตาสภาวะธรรมคือความไม่โกรธเหมือนกันนะอุทะจะความฟุ้งซ่านละด้วยความไม่ฟุ้งซ่านคือมีสมาธิหรือแม้แต่มีกายมีใจสงบเรียกว่าปัสสัทธิหรือมิแม้แต่อุเบกขาความวางเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจด้วยปัญญานะไม่ใช่เฉยเมย ระ ว, วิจิกิจชาด้วยการกำหนดทำ ร, รักอวิชชาด้วยยานะคือปัญญานี่ยานะสังวรเมื่อกี้นะหรือกรรมสกกตาปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องระความไม่ยินดีด้วยปราโมทปราโมทที่เกิดจากความสุขเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลก็ตามเนี่ยจะมีความปราโมทอยู่คือความอิ่มคือความ เบิกบานใจความอิ่มใจความยินดีที่เกิดขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดสุขเกิดขึ้นเล็กน้อยไม่ถึงปีติปราโมทไม่ถึงปีติไม่ถึงสุขนะอันนี้คือลักษณะของเป็นเรื่องของศีลเหมือนกันในขณะที่เรางดเว้นอยู่ในในการดูลมหายใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของศีลพิจารณาเรื่องของศีลมาอันนี้เรียกว่าอาวีติกมศีล <c oughs> ต่อไปก็พัฒนาตัวขึ้นเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานในเล่มที่แจกที่พระอาจารย์ท่านแจกไปเนี่ยในเล่มขาวๆเนี่ยนะแต่ น, นี้รุ่นเก่าในนี้จะมีอธิบายนะเกี่ยวกับเรื่องฌานนะว่าพอได้ฌานขั้นดูลมหายใจจนต่อเนื่องแล้ว จตุกะของของในกายานุปัสนาสติปัฏฐานมีอยูส่สคือดูลมหายใจยาวเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นแล้วก็สัพพกายะปฏิสังเวทีก็รู้รู้ทั่วกองลมทั้งปวงก็คือรู้ต้นนะรู้ต้นรู้กลางรู้ปลาย ในลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกโดยไม่ตามเข้าไปอันที่4ี่ก็คื อ, อ, อรู้รู้ความสงบระ ง, งับเกี่ยวกับลมกองลมนั้นลมก็จะละเอียดขึ้นจะละเอียดขึ้นก็สามารถที่จะรู้ได้สติตามทันนะันนี่จตุกะแรกเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ย ต้องทำให้ได้ถึงจตุตฌานนะแล้วออกจากจตุตฌานนั้นจึงสามารถที่จ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้นะในวิธีปฏิบัตินั่นแหละอยู่ในตัตยยปรารชิกเล่มที่สองใน เล่ม69ปฏิสมัมพิธามาร์กและในวิสุทธิมาร์กจะมีกล่าวไว้เกี่ยวกับถ้าถ้าเรารู้ทั้งสสอย่างของจตุกะแรกแล้ว mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เมื่อลมหายใจละเอียดขึ้นจนได้นิมิตเมื่อได้นิมิตแล้วก็รักษานิมิตนั้นไว้เมื่อรักษานิมิตก็มาพิจารณา ที่หาทแยวัตถุหรือหัวใจให้ดูที่พวังนั่นเองเสร็จแล้วก็สามารถที่จะทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นได้อันนี้คือคร่าวๆที่ที่ท่านกล่าวไว้ท่านอธิบายไว้ส่วนรายละเอียดที่ท่านอธิบายก็อธิบายอยู่ในเล่มที่นั่ น, นเสร็จแล้ว ก็ท่านก็บอกว่าให้ออกจากจตุตฌานก่อนแสดงว่าจะต้องได้ฌานที่4มาในจตุกะแรกแล้วจึงจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้ท่านก็บอกวิธีการจเจริญวิปัสสนาด้วยบอกหมดเลยนะนะบอกตั้งแต่เริ่มว่าถ้าได้นิมิตแล้วจะทํำยังไงต่อได้ปฐมฌานได้ทุติยฌ า, านได้ตัติยฌานได้จตุตฌานแล้วทํำยังไงต่อเนี่ยก็จะมีการจเจริญวิปัสสนาต่อในจตุกะแรกนะี่นะ ในกายานุปัสสนาสติปทานท่านก็จะบอกวิธีการเจริญวิปั ส, สนาให้อีกนะบอกอย่างละเอียดว่ากำหนดรูปยังไงกำหนดนามอย่างไ ร, นน อ, ยงไรอย่างไรนะก็มีวิธีบอกหมดเนีย่ยต้องออกจากจตุตฌานก่อนจึงจะเจริญวิปั ส, สนาในจัตจุกะแรกนะ ส่วนจตุกะที่สองที่เกี่ยวกับเวทนาเนี่ยสามารถจเจริญปฐมชาตและทุตยชาญนะแล้วก็สามารถที่จะพิจรารณาวิปั ส, สนาได้นะนจะยกตัวอย่างนะพิก อ, อันนี้คือในจตุกะที่สองนะ ที่บอกว่ารู้แจ้งปีติเธอย่อมสำเนียกว่าเราจะทำปีติให้รู้แจ้งคือทําให้ปรากฏหายใจเข้าหายใจออกปีติระสุขเหล่านั้นย่อมเป็นนันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดยอาการสองคือโดยอารมณ์และโดยความไม่งมงายปีติย่อมเป็นเนนันภิกษุรู้แจ้งโดยอารมณ์อย่างไรก็บอกว่าภิกษุนั้นต้องเข้าฌานที่ <majors> ฌานทั้งสองคือปฐมฌานและทุทติยฌานซึ่งมีปีติเป็นอารมณ์เนี่ยนะแล้วก็ออกจากฌานนั้นก็พิจารณาวิปัสนาในจัตุกาศที่สองส่วนจัตุกาศที่สามก็เช่นเดียวกันส่วนในจัตุกาศที่สี่นั้นเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาร้วนๆเนี่ยนะแต่ท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่าเรื่องฌานแต่ให้ไปดูในจตุกาที่หนึ่งว่าจะต้องได้ฌานมาก่อน จะเห็นว่าคนที่เจริญวิปัสนาล้วนเนี่ยก็จะต้องได้อย่างในน้อยต้องเป็นอุปจาระมาก่อนนะจึงจ ะ, จะเจริญวิปัสนานี่จะเห็นได้ชัดว่าวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจะบอกเรียงลำดับไวห้หมดทุกอย่างตั้งแต่ง่ายง่ายง่ายๆไปเรื่อยๆจนถึงยากแล้วก็สูงสุดจะบอกวิธีไว้ให้หมดเลยไม่มีสับสนนะ ถ้าเราได้ศึกษาอย่างจริงจังหรือฟังอย่างจริงจังศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังและปฏิบัติอย่างจริงจังก็สามารถที่จะถึงได้มีตัวอย่างเยอะที่บรรลุนะแล้วแต่ต้องเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่านั่นแหละก็จะเป็นเหตุให้เรามุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนั้นเราก็ใช้ไปแต่ ต้องแบ่งแบ่งภาคให้ได้ว่าการปฏิบัติจะต้องมาด้วยพร้อมกับการใช้ชีวิตนั้นเพราะในอนาคตเราไม่รู้ถ้าเกิดไม่มีการวางแผนเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้เกิดมาเป็นสุขติภูมิอีกไหมถ้าโชคดีวางแผนไว้ดีก็มาเกิดก็ต่อได้หรือในพบหน้าไปสุขติภูมิก็ต่อได้แต่นิยมยัง วางแผนหรื อ, อยังเยะวางแผนบ้างหรื อ, อยังอันนี้คือคร่าวๆเกี่ยวกับการไม่ก้าวร่วงต่อไปเลยนะที่อาตมาบอกว่าศีลคืออะไรศีลมีอะไรบ้างนะี่นะ แล้วก็ศีลอาศัยอะไรนะมีลักษณะมีหน้าที่มีเหตุให้ปรากฏแล้วก็เหตุที่ให้เกิดศีลและอา น, นิสงส์ความเศรหมองความผ่องแผ้วต่อไปเลยนะศีลเพราะอาศัยอะไรนะจึงเกิดขึ้นนะอันนี้เรียกว่าความหมายความหมายของศีลนั่นเองนะ ในลักษณะของคำว่าสีละีละสาบเนี่ยมีความหมายเยอะความหมายที่หนึ่งได้แก่ตั้งไว้ด้วยดีศีลลักษณะของศีลศีลเนี่ยเป็นการตั้งไว้ด้วยดีได้แก่สมังสัมมาอาทานังสมาทานัง ความตั้งไว้อมสม่ำเสมอได้ดีนะชื่อว่าสมาทานตั้งไว้ได้ดีหรือไม่เกื่อนกลนกระจัดกระจายเนี่ยนะนี่เป็นความหมายเขาตั้งไว้ด้วยดีแบบไหนเมื่อมีศีลกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็ตั้งอยู่ได้นะวิกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่สุจริต ก็ตั้งอยู่เราก็จะสํารวมในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตได้เมื่อมีศีลเนี่ยนะนีคือลักษณะของตั้งไว้ได้ดีไม่กระจัดกระจายทำให้กุศลเกิดขึ้นได้ง่าย คราวนี้คาว่าไม่กระจัดกระจายเนี่ยนะคือความไม่กระจัดกระจายไปของสมาธินั่งแล้วฟุ้งซ่านบ่อยไหมนั่นแหละความฟุ้งซ่านนี่แหละเรียกว่าความกระจัดกระจายไปแห่งความคิดเมื่อเรามีศีลสารวมในศีลความฟุ้งซ่านเนี่ยก็จะถูก รวบรวมให้เป็นหนึ่งได้ก็จะมีอารมณ์เดียวหรือเอกคตาจิตหรือเรียกว่าสมาธินั่นแหละนะก็จะกำจัดความฟุง้งซ่านกระจัดกระจายไปได้อันนี้คือความหมายที่หนึ่งต่อไปความหมายที่สองนะได้แก่ความทรงไว้อุปัฏฐาัง เมื่อ ก, กี้เรียกว่าสมาทานังหรือความไม่กวนกวนเรียกว่าเรียกว่าอาวิปปกินนตานะส่วนความหมายที่สองได้แก่เข้าไปทรงไว้เรียกว่าอุปทารานังเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเครื่องรองรับเป็นเครื่องรองรับของคุณธรรมเบื้องสูงถ้ามีศีลบริสุทธิ์มีศีลดีประพฤติปฏิบัติในศีลดีสํารวมในศีลดีเนี่ย ก็จะทําให้คุณธรรมเบื้องสูงอย่างเช่นสมาธินะ เ, าเริ่มตั้งแต่ความไม่เดือดร้อนใจเลยนะความไม่เรือดร้อนใจความปราโมดปีติปสัสสติความสงบกายสงบใจความสุขสมาธนะิแล้วคุณธรรมเบื้องสูงไปอีกวิปัสสนาะความรู้แจ้ง ได้แก่ความเป็นประโสดาบานสกตาคามีอนาคามีพระหันก็เริ่มจนเริ่มต้นจากสีนี้ทั้งทั้งนั้นนะไม่มีผู้ที่รัดไปได้นะไม่มีทางรัดก็คือจะต้องเป็นไปตามลำดับเรื่องของทานต้องบอริบูเรื่องของศีลต้องบอริบูนสมาธิถึงตั้งมั่นและเป็นไปเพื่อเจริญวิปัสนาเป็นไปเพื่อออกจากวัตทุก วิปัสสนาก็ต้องเป็นไปตามขั้นตามลำดับสมถะก็ต้องเป็นไปตามขั้นตามลำดับไปความหมายต่อไปนะความหมายว่าเป็นเสียนาท่านก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นตึกรามบ้านช่องเนี่ย หรือพระเจดีหรือสิ่งก่อสร้างที่สูงสู ง, สงใหญ่ๆต้องมีรากฐานรากฐานที่มั่นคงจึงจะทำให้ไม่ล่มไม่ทำลายเหมือนที่เราจเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาก็จะไม่ล่มไม่ทำลายไม่เสียหายไปถ้ามีพื้นฐานที่มั่นคงคือมีฐานมีสีลที่มั่นคงนั่นเอง กรนี้ในความหมายของคําว่าศีละคือเป็นหัวเป็นเสียงเนี่ยถ้าเกิดมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยไม่มีหัวปัสะจากหัวแล้วก็ไม่มีความสำคัญนั่นเองศีลเนี่ยเป็นศีรษะเป็นเสียงเป็นหัวเป็นความเย็นถ้ารักษาศีลแล้วจะทําให้จิตใจนั้นเย็นสภาพกายสภาพใจก็จะเย็น เป็นความเกษมคือสามารถเป็นพื้นฐานในการกำจัด ก, กิเลสเพื่อออกจากวัตตัทุกข์ได้ท่านบอกว่าคำคำว่าเสียเนี่ยถ้าถูกตัดแล้วอัตภาพทั้งปวงย่อมพินาศไปคันมีศีลคันเมื่อศีลแตกทำลายสรลีละหรือคุณธรรมทั้งปวงก็ย่อมพินาศไป นี่จึงบอกว่าเป็นส่วนที่สูงสุดเพราะอาจว่าเสียงเนี่ยนะส่วนเพราะอาจว่าเย็นเนี่ยได้แก่ระงับความเร่าร้อนกระวนกระวายใจได้นะสิ น, นี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรย่อมกระทำความเข้าไปสงบระงับแห่งความเร่าร้อนคือกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเร่าร้อนท่านบอกว่าในในอาทิตต ป, ปริยายสูตร ท่านบอกว่าความเกิดเนี่เป็นไฟความแก่ความเจ็บรูปเสียงกลิ่นรสปัจพะธรรมรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความโศวความลำไรลลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค่นใจเป็นไฟคือความร้อนหรือกิเลสทั้งหมดเป็นความร้อน แม้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความร้อนความเร่าร้อนดังนั้นการที่เรามีศีลก็จะทําให้ระงับความเร่าร้อนนะโดยตรงก็คือความระงับความเร่าร้อนคือกิเลสนะอันนี้ก็ผ่านไปนะสําหรับความหมายต่อไปศีลอันิสง์ของศีลอ้าวลักษณะก่อนนะ ลักษณะของศีลหรือเรียกว่าลักษณะที่จตุกะหรือว่าเรียกว่าวิเศษลักษณะในความพิเศษของลักษณะสี่ประการของศีลเนี่ยนะอธิบายว่าแม้ว่าองค์ธรรมของศีลจะแตกต่างกันไปเน่ที่ว่าเนี่ยนะเจตนาเจตสิกสังวรศีนวีติกมามะนะ แ ต, แตกต่างกันไปนะเปรียบเสมือนกับภาวะที่จกักจักสุเห็นได้แก่ภาวะที่อารมณ์ของจกักขวิญญาณคือลักษณะของจิตเห็นรูป ร, รู้รู้เกี่ยวกับรูปนี่นะหรือสนะีก็มีความแตกต่างกันเวลาตามองเห็นนะมองเห็นก็เห็นสิ่งที่แตกต่างกันไป ท่านก็เปรียบเทียบกับลักษณะของศีลนะนี่เรียกว่าวิเศษลักษณะเพราะไม่ทั่วไปกับธรรมอย่างอื่นเช่นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะหรือความย่อยยับไปของรูปเป็นสามัญลักษณะของรูปรูปที่ทั่วไปนะ เช่นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเป็นต้นนะศีลก็เช่นเดียวกันนะท่านบอกว่าที่มีลักษณะเข้าไปตั้งไว้ไปทรงไว้หรือไปรองรับไม่เกอนกลกระจัดกระจายเนี่ยก็เป็นลักษณะนะที่เป็นวิเศษลักษณะนะคือลักษณะพิเศษ ดังนั้นว่าโดยลักษณะของศีลแล้วก็คือความเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยแหละความทรงไว้หรือไม่เกื่อนคนกระจัดกระจายหรือความเป็นปกติหรือความเป็นความเย็นเป็นสิ่งที่สูงสุดหรือเป็นเสียงหรือความกเกษมเนี่ยพวกนี้เป็นลักษณะของเขาดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยส่วนหน้าที่ หน้าที่ของเขานะหน้าที่ของศีลคืออะไรทำลายความทุศีลหรือคุณธรรมต่างๆที่เป็นไปเพื่อความติเตียนสิ่งเหล่า น, นี้ศีลจะไปทำลายหน้าที่เขาจะทำลายโดยตรงนะพึงทราบว่ามีการทำลายความทุศีลอันมีความประเภทไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจา ไม่สำรวมใจหรือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพวกนี้หน้าที่ของเขาก็คือไปทําลายสิ่งเหล่านี้ <c oughs> หรือคนณธรรมที่เป็นเหตุให้ถูกติเตียนถ้าผู้ที่รักษาศีลก็สามารถที่จะทําลายสิ่งเหล่านี้ได้ทําลายความทุศีนทําลายความติเตียนที่จะเกิดขึ้นจากผู้รู้นะ ต่อไปปัจจุปฐานนี่เป็นสิ่งที่ปรากฏของศีนนะศีนนั้นอันวิ น, นวยูชนทั้งหลายกล่าวว่ามีความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจนะเป็นเครื่องปรากฏในปัญญาของบัณฑิตเลยนะศีลมีความสะอาดตัดไว้ว่าความสะอาดทางกายนี่เป็นความปรากฏ สาต์กลายกลายก็ไม่ไปข้าศาสตร์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกลามวาจาก็ไม่พูดเทสพูดคำหยาพูดสาเสียพูดเพอเจอร์ทางใจก็ไม่ไม่โรคอยากได้ไม่พยาบาทไม่มีความเห็นผิดศีลก็จะมีผลปรากฏแบบนี้คือความสะอาดทางกายวาจาใจนะส่วนประทัดฐานได้แก่เหตุเหตุใกล้หรืออาหาร หรืสิ่งที่จะทําให้ศีลเกิดขึ้นได้ง่ายได้แก่ความระอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปวินยูชนทั้งหลายกล่าวว่าเป็นปัจจุฐานของสีลนะฮิริกับโอตะปะเป็นเหตุใกล้ของศีลเมื่อฮิริและโอตะปะมีอยู่ศีลย่อมเกิดขึ้นด้วยอํานาจของการสมาทานบ้างด้วยสามารถแห่งการไม่ร่วงละเมิดไม่ก้าวร่วงนะบ้างนะ เมื่อฮิลิและโอตปาไม่มีอยู่ศีลก็เกิดขึ้นไม่ได้และเป็นคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้เกิดในนะเทวโลกนะในสวรรค์ได้นะฮิลิกับโอตปานี่นะดังนั้นผู้ที่ให้ทานและสํารวมในศีลมีฮิลโิโอตปาก็สามารถสร้างเหตุให้ปลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้นะอันนี้ลักษณะของประทัด ฐ, ฐานคือ เหตุที่จะให้ศีลเกิดท่านก็ยกตัวอย่างมาว่าช่างทอหูกกระสวยทอหูกเข็มท่้งเย็บผ้าเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของผ้ามีเส้นได้นายช่างเนี่ยมีเส้นได้เป็นเหตุใกล้นะฉันใดนะ การฟังพระสัตธรรมไล่มาเป็นต้นจนถึงฮิริโอตปาเนี่ยนะก็เป็นเหตุใกล้ของศรรีลการฟังธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมการครบกัลยาณมิตรการเกิดในประเทศอันสมควรเคยทําบุญไว้ในปางก่อนหรือแม้แต่ฮิริโอตปานี้เป็นเหตุใกล้ของศีลทั้งนั้นนี่คือลักษณะสอย่างของศีลมีลักษ ลักษณะหน้าที่วิเศษลักษณะของของีองนเนี่ยมีสี่อย่างมีลักษณะมีหน้าที่มีอาการปรากฏคือความสะอาดและมีเหตุเหตุที่จะให้เกิดคราวนี้มีอาณิสง์บ้างอานิสงท์ที่เรารักษาศีนเนี่ยจะได้อะไรหรือเราลงทุนจะได้กำไรอย่างไรนะนักค้ากำไรก็ต้องหวังนะ หวังกำไรศีลมีอะไรเป็นานิสง์นะสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอาวิปฏิสารัฐานิโขปนานันทะกุศลานิศีลานิอวิปติสารานิสังสาริดูก่อนาอนนท์ก็กุศลศีลทั้งหลาย หาโทษไม่ได้มีความไม่เดือดร้อนใจนะเป็นประโยชน์เป็นานิสง์นี่อยู่ในอังคุตรนิกายเอกาทัศกนิบาตศีลมีความไม่เดือดร้อนใจนะและอานิสงอีกห้าอย่างานิสงอีกห้ า, อ, า อ, อย่างนะ ท่านข้าบดีทั้งหลายผู้มีศีลงถึงพร้อมด้วยศีลในโลกนี้ย่อมประสบกับกองโคะเป็นอันมากเพราะเหตุแห่งความไม่ประมาทนี้เป็นอันนี้สงข้อแรกทำให้รวยยมเคยได้ยินไห้พระให้พรตอนสุดท้ายออหลังหลังที่รับศีลท่านก็จะบอกว่าศีเลนะสุขติงยันติศีลจะทำให้ไปสู่ สุคติมีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกชั้นพรหมโลกสิบหกชั้นและอรูปพรหมอีกสี่ชั้นสามารถเป็นปัจจัยได้สีเลณโภกะสัมปทารักษาศีลทําให้รวยได้ไหม พระรักษาศีลรวยได้ไหมรวยได้เห็นไหมโอ้โหต้องไปอยู่ต่างประเทศรวยจัดนะแล้วก็บินทบาทได้อาหารโยมได้กินไหมอาหารพระสลาบไปบินทบาทได้เยอะวัตถุสิ่งของได้มากเพราะการรักษาศีล ปัจจัยสีนะ่ไม่เคยขาดอาหารไม่มีอดนะไม่มีก็อดแล้วก็ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพระเนี่ยโชคดีมากอยู่ได้ทั่วประเทศนะไปอยู่ที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้ถ้าเขาไม่ไล่นะ ถ้าไปอยู่ต่างประเทศไม่มีเงินเลยเไปอินเดียไปสหรัฐไปอังกฤษก็มีคนดูแลเพราะโภคทรัพย์มากาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพกปัจจัยไม่ต้องพกเงินรวยไหมแบบนี้ไม่พกเงินก็ไปไหนก็ได้ อันนี้คือที่อยู่อาศัยไม่ลำบากอาหารไม่ลำบากผ้าไม่ลำบากยารักษาโรคปัจจัยสีไม่ลำบากเลยสำหรับผู้ที่รักษาศีลวันนี้โยมมาประพฤติปฏิบัติเห็นไหมโผคามากไหมไม่ต้องทำงานเห็นไหมไม่ต้องไปทำงานหนัก นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมะก็มีโค้ามากมีอาหารกินมีผ้านุ่งผ้าห่มมีที่อยู่อาศัยนี่เห็นหนี่คือได้จากผลบุญที่เราสร้างมาได้รับนี่โภคา้าหรือแม้แต่ ฐานะที่ร่ำรวย เ, ยเกิดมาจากการให้ทานที่ถูกต้องมีการรักษาศีลแบบนี้ที่ถูกต้องก็สามารถทำให้โภกรัพย์มากที่จะเกิดขึ้นได้ศนะีเลนะนิพุติงยันติแปลว่าศีลจะเป็นปัจจัยให้ถึงความสงบสุขเยือกเย็นคือพระนิพพาน นะสีเร น, นั้นน้พูติยญาตินะนี่คือสีเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้อา น, นิสงส์ก็คือทำให้มีโภค่คามาก น, นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองกิติศัพท์อันงามของผู้ที่รักษาสีย่อมฟุ้งขจรไปกลิน่นดอกไม้กลิ่นกิศ น, นากลิ่นจันหอมฟุ้งไป ก็หอมได้แค่ตามลมกินดอกไม้เนี่ยหอมได้ตามลมเท่านั้นแต่กินศีลของผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำรวมในศีลย่อมฟุ้งขจรไปทา้ทงทวนลมและตามลมนะอันนี้คืออันนี้ส่งข้อที่สองอันนี้ส่งข้อที่สผู้มีศีล จะเข้าไปในบริษัทใดๆไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์บริษัทพราหมณ์บริษัทคหาบดีบริษัทหรือสมณะบริษัทเนี่ยจะเข้าไปในที่ไหนไหนก็ตามย่อมจะองค์อาจเข้าไปไม่เก้อเขินะจะไปพูดไปในสมาคมไหนๆเนี่ยก็ไม่เก้อเขิน ไม่ประมาทไม่อายนะคนที่อายไม่เก้อคนไม่มั่นใจตัวเองเนี่ยเกิดจากผลนะผลมาจากการค่าสัตว์ค่าสัตว์ก็จะไม่องอาจหรือแม้แต่การประพฤติผิดในกรรมเนี่ยก็จะทำให้ ไม่องอาจหรือแม้แต่การรักขโมยเนี่ยก็ชื่อว่าไม่องอาจเพราะอะไรเวลาไปสง่าผ่าเผยไปทํำไหมจะไปฆ่าฆ่าก็ต้องแอบย่องย่องไปจะไปทําร้ายเขาไปฆ่าเขาเนี่ยจะไปขโมยต้องแอบไปย่องไปลักไปนะจะไปประพ ฤ, ฤติผิดในกามก็ต้องแอบไปย่องไปดังนั้นศีล ที่ถูกทําลายถูกล่วงละเมิดก็เป็นเหตุให้ไม่องอาจไม่เก้อเขินไม่องอาจเก้อเขินมีความละอายประมาทแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีศีลก็ไม่ต้องกลัวนะเหมือนที่ยกตัวอย่างวิทุรบัณฑิตนะองอาจเพราะว่าตัวเองไม่ต้องไปอบายแล้วแต่ผู้ที่ฆ่าตั้งหากผู้ที่รักทรัพประพฤติผิดในการม พูดเทสพูดคำหยาพูดสอสซอดเสียดพูดเพลเจอร์ดื่มน้ำเมากลุ่มเหล่านี้ก็จะไม่องค์อาจเพราะจะต้องไปชดใช้กรรมในอบายนี่เป็นลักษณะของอานิสง์ข้อที่สส่วนอนิสง์ข้อที่สี่คือไม่รุ่มหลงกระทากาล ะ, ะก็คือเมื่อตายเนี่ยเราจะเห็นคนที่เราเคยไปดูแลที่ใกล้ตาย ก็จะมีความรุ่มหลงก่อนตายบางทีเพราะความเจ็บปวดหนักๆถ้าเราไม่ให้อารมณ์ก่อนตายนั้นเขาก็จะไปอบายได้เพราะความเจ็บปวดนั้นจะระลึกถึงบุญกุศลได้ยากผู้ที่มีศีลจะไม่มีความรุ่มหลงก่อนตายะจะเห็นภาพในที่ไปเกิดที่ดีๆ หรือมีอารมณ์ก่อนตายที่ดีๆเน็กถึงเรื่องการให้ทานเรื่องการใส่บาตเรื่องการดูแลครอบครัวเรื่องการทำบุญให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการเจริญภาวนาดูลมหายใจหรือแม้แต่ความรักความปรารถนาดีมีเมตตามีกรุณากลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นที่พึ่งเป็นนะธรร ม, มานุสติ หรือจะเป็นสีรานุสติหรือจะเป็นพุทธานุสติก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นพระธรรมของพระศาสด า, าทั้งนั้นดังนั้นจึงเป็นธรรมังสรารนังกรจฉามิเป็นที่พึ่งให้เราได้ทั้งนั้นนะส่วนข้อที่ห้าคือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในศีลสำรวนในศีลถึงพร้อมด้วยศีลก็จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนนะ อันนี้เป็นอานิสงฆ์อาณิสงฆ์อีกเจ็ดอย่างเพื่อจะทำให้โยมได้มีความอาจหาร่าเริงในการที่จะปฏิบัติศีลเพื่อเป็นปัจจัยสู่การพัฒนาไปสู่สมาธิที่ตั้งมั่นเนี่นะนำไปสู่ความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายนะด้วยการชำระมนทินแม่น้ำทั้งหลายที่ไหลไปสู่ สู่แม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำสารภูแม่น้ำสารสวดีแม่น้ำอจิราวดีแม่น้ำมหีแม่น้ำโคทาวารีแม่น้ำจันดภาคาเป็นต้นย่อมไม่อาจเพื่อที่จะชำระมนตินให้สัตว์ได้เราไปเห็นเขาล้างบาปเอาน้ำล้างบาทหรือปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็ไม่สามารถล้างบาปนั้นได้ ไม่สามารถล้างบาปทุจริตที่เกิดขึ้นได้แต่ศีลเนี่ยเป็นเครื่องชำระล้างบนทินคือกิเลสออกจากใจได้เข้าไปสงบระงับความเร่าร้อนอันนี้ก็คือกิเลสเป็นความเร่าร้อนนะก็ระงับความเร่าร้อนได้หรือแม้แต่แก่นจันเดฝนนะ ลมที่เจือฝนนะย่อมระ ง, งับความเร่าร้อนไม่ได้แม้แก่นจันแดงแม้เครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนมุกดาต่างๆหรือรัศมีแห่งพระจันทร์ก็ไม่สามารถที่จะระ ง, งับความเร่าร้อนได้นะบอกว่าศีลนี่แหละ จะเป็นเครื่องระงรับความเร่าร้อนนั้นได้นะด้วยการขาจรไปของกลิ่นที่หอมหวนด้วยภาวะเป็นอุบายเครื่องบรรลุถึงสวัสดและพานิพานด้วยการให้สำเร็จเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตให้งดงามเป็นปัจจัยเพื่อศีลสมาธิและปัญญานะกำจัดภยัยภัยคือความเกิด ไปคือความแก่เจ็บตายความโศกความเล่าล่ำไรลำพันธ์เป็นต้นนะด้วยทำให้เกิดเกียดและประโมทบันดิตทั้งหลายพึงทราบว่าด้วยอานิสงของศีลเป็นมูลเหตุแห่งคุณทั้งหลายมีปกติกำจัดโทษได้นะส่วนความเศร้าหมองของศีล ได้แก่สีลขาดไปเพราะลาบยศญาอวัยวะและชีวิตบางทีสินขาดไปเพราะซับก็มีนะลาบเนี่ยเมื่อได้ลาบมาได้ได้เงินได้ทองมากก็ทำให้เสียสินได้หรือเห็นของสวยๆงามๆก็อยากได้ก็ทำให้สินขาดได้ ยศตำแหน่งก็สามารถที่จะทำให้สีลขาดได้นะเช่นเราไปเบียดเบียนเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปนะก็ทำลายศีลได้ญาติพี่น้องของเรานะสามารถที่จะทำให้เราทำทุจริตได้ก็สีลขาดได้อวัยวะต่างๆนะเวลาป่วยเราก็ไม่นึกถึงสินแล้ว หรือแม้แต่ชีวิตถ้าผู้ที่มั่นคงในพระธตนไตรัยเนี่ยก็สามารถที่จะแลกกับศีลได้เนะยอะตัวอย่างอย่างพระเถระมถูกโจรจับไปในป่าเนี่ยมีเถาวันผูกนะท่านก็ไม่แก้เถาวันออกเพราะว่ามีศีลข้อหนึ่งถ้าภาคของเขียวหรือทำลายของเขียวไปเนี่ยก็ ทำให้ศีลขาดได้ท่านจึงไม่เอาเครื่องมัดนั้นออกไม่นำเครื่องมัดออกนะยอมไม่ให้ศีลไม่ให้ศีลขาดยอมแม้กระทั่งไม่สนใจเรื่องราบยศญาตอวัยวะแล้วก็ชีวิตเลยนะนี่เรียกว่าศีลเนี่ย ถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้จะทำให้ศีนั้นเศร้าหมองจะทำให้ศีนขาดได้ศีนขาดก็ขาดขาดข้อหนึง่งบ้างข้อสองบ้างข้อสามข้อสี่ข้อห้าบ้างเนี่ยขาดเนี่ยแต่ถ้าเกิดลักษณะของศีนทะลุศีนทะลุเนี่ยเรียกว่าข้อกลางๆขาด เช่นเร า, เ ร, ารักษาศินแปดถ้าศินขาดคือขาดข้อหนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างสี่บ้างนี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นศินทะลุเรียกว่าข้อสองถึงข้อเจ็ดข้อสองถึงข้อเจ็ดเนี่ยมันก็เรียกว่าขาดกลางขาดกลางเนี่ยเรียกว่าทะลุถ้าศินด่างล่ะ ข้อสองข้อสามเนี่ยตัวอย่างนะขาดนี่เรียกว่าด่างพร้อยพร้อยเนี่บางทีข้อสองข้อเจ็ดข้อสี่ข้อหกนีขาดอันนี้เรียกว่าพร้อยสินขาดสินทะลุสินด่างสินพร้อยนี่เป็นลักษณะจำแนกออกให้ ละเอียดขึ้นอันนี้คือลักษณะของความเรียกว่าความความเศร้าหมองของศีล น, นะแล้วก็ยังมีอุปกิเลสสิบหกเป็นเครื่องทำลายศีลทำให้ศีลเศร้าหมองเนี่ยนะในสมาธิอาณาปานาสติสมาธิเนี่ยมีอุปกิเลสสนะิบแปดส่วนในศีลมีอุปกิเลสสนะิบหก คือความโกรธเป็นความเ่อาหมองของศีลความโกรธทำให้ศีลขาดอยู่กับบ้านนะลูกไปเล่นในบ้านนะแล้วก็มีการเปิดตู้เย็นเราก็รำคาญแล้วโกรธแล้ว เล่นของเล่นกระจัดกระจายแล้วก็เครียดแล้วรู้รูของเราตื่นช้าเราก็ไปปลูกแล้วปลูกอีกโกรธแล้วนอันนี้ศีลไม่มีแล้วนะในขณะที่เราโกรธผูกโกรธผูกโกรธก็คือทําความโกรธให้มั่นคงขึ้นให้ยิ่งขึ้นนะนะ <c oughs> มักขาคือความลบหลู่คุณท่านปราศตีเสมอตีเสมออิสาความริษยาอดทนต่อสมบัติของผู้อื่นไม่ได้มีความริษยาอยากได้ของเขานะมัจฉริยะความตนีห่วงแหนสมบัติของตนนะมีความซ่อนเล่นสมบัติของตนนะ มายาคือความหลอกลวงปกปิดโทษที่มีอยู่ของตัวเองสาถยะมีความโอ้อวดยกย่องคุณที่ไม่มีถามพ้ะคือความดื้อดึงแข็งกระด้างของจิตนะสารำพ้ะความแข็งดีมีการกระทำที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปมานะคือความถือตัวความทนงตนนะ มีการเปรียบเทียบกระทบกระเทียบกันนี่นะอติมาณะมีความถือตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกมาทาคือความมัวเมามัวเมาในชาติในโคดในตระกูลเป็นต้นนะประมาทาคือความประมาทประมาทก็คือปล่อยปล่อยสติเผลอสตนะิหรือแม้แต่โรพะโมหะ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นความซ่อหมองของศีลได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าศีลไม่ใช่อย่างที่เราคิดเป็นข้อข้อแล้วมีนามมาทำมาเกี่ยวข้องนะเยอะมากเลยนะสําหรับเรื่องของศีลคราวนี้มาดูความผ่องแผ้วบ้างความผ่องแผ้วของศีล น, นะก็ตรงกันข้ามนะ ความอวของแพ้่ของศีลก็คือค ม, มีความไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุนั่นแหละมีความเป็นไทยหมายถึงว่าเวลารักษาศีลแล้วไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสนี่เรียกว่ามีความเป็นไทยนะวินยูชนสารเสิร์นรักษาศีลไปแล้วไม่ทำให้ผู้รู้ติดเตียนหรือไม่ร่วงละเมิดคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง วินยูชนก็ไม่ตีเตียนผู้รู้ก็สารเสริญ น, นะอปปรามัตถะนะไม่ถูกตันหาคือความอยากความยินดีไม่ถูกทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยครอบงำนะเรียกว่าอปปรามัตถะมีความไม่ขาดไม่ทะรู้ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสารเสริญไม่ ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงําและอันสุดท้ายก็คือเป็นไปเพื่อสมาธินั่นเองนะหรือเป็นไปเพื่อพระนิพพานเป็นไปเพื่อสมาธิและปัญญาอันนี้เรียกว่าความผ่องแผ้วของศีล ศีลที่บอกว่าอันสุดท้ายเนี่ยนะบอกว่าศีล น, นั่นแหละที่มีคุณคือความไม่ขาดเมื่อกี้นะมีขาดไม่ขาดไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุนะเป็นต้นชื่อว่าสมาธิสังวัตตนิกะ mm hmm. มีการทําสมาธิให้เป็นไปพร้อมเป็นประโยชน์เพราะย่อมยังอุปจารสมาธิ หรืออปนาสมาธิให้เป็นไปพร้อมคือท ร, รมรคสมาธิและผลสมาธิให้เป็นไปนั่นเองนี่คือศีลที่ที่ผ่องแพร่ความผ่องแพ้วของศีล น, นะคราวนี้เมื่อศีลไม่วิบัติเนี่ยจะมีได้รับอนิสงส์ต่อไปอีกก็คือเป็นที่รักของ มนุษย์และมนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะเทวดาเทเทวดาก็รักพรหมก็สรรเสริญอันนี้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะเรามีศีลอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะศีลของภิกษุใดปัสากมนินีด้วยดีทรงบาส ท, ทรงจีวรก็น่าเรื่อมใสบรญชาของภิกษุนั้นก็มีผล อันนี้เกี่ยวกับเรื่องพระนะจิตของภิกษุผู้มีศีลหมดจดย่อมอย่างลงย่อมไม่อย่างลงสู่ภัยคือความติดเตียนตนเองเหมือนพระอาทิตย์ไม่อย่างลงสู่ความมืดฉะนั้นนภะิกษุเมื่อสวยงามในตะโปวันย่อมสวยงามด้วยสมบัติคือศีลดุจพระจันทร์เมื่อสวยงามในท้องฟ้าย่อมสวยงามด้วยสมบัติคือรัศมีนะ กลิ่นกายนะผู้ที่รักษาศีลเนี่ยมีกลิ่นกายหอมนะย่อมกระทําความปราโม้นให้เกิเกิดขึ้นแก่เทวดาผู้ที่รักษาศีลเทวดาอยากเข้าใกล้ทนะําไมรักษาศีลอามนุษย์ก็มาเข้าใกล้กลิ่นศีลย่อมครอบงามซึ่งสมบัติ แห่งคันใดชาติทั้งหลายทั้งปวงได้ย่อมฟุ้งไปได้ไม่ขัดข้องตลอดทิศทั้งสิสามารถแผ่กระจายไปนะเกียรติศัพด์อันงามก็ฟุ้งไปตลอดทิศทั้งสิบทิศทั้งแปดทิศแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างนะสักกะละแม้น้อยอันทายกทำแล้วเนี่ยถ้ายมทําบุญกับพระผู้มีศีลก็มีผลมากมีอ น, นิสงส์งมากนะ อาสะวะทั้งหลายในปัจจุบันที่เบียดเบียนย่อมเบียดเบียนภิกษุนั้นไม่ได้นะทุกข์ก็ไม่ติดตามไปในภพหน้าชาตินน้นะสมบัติในโมทุตทั้งหลายอันใดก็ดีสัมปทาในเทวดาทั้งหลายอันใดก็ดีเมื่อท่านผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลปารถนาอยู่ย่อมสำเร็จได้โดยไม่ยากนะปารถนาสิ่งใดก็สงความปารถนา ที่เราว่ากันนียนะอันหนึ่งนิพพานอันสงบสุดยอดนี้ความสงบความว่าสงบทุกเมื่อเพราะไม่มีความกวนกวายคือความเร่าร้อนเพราะกิเลสนะจิตของท่านผู้มีศีลยยอมถึงพร้อมแล่นไปหนึ่งๆหนือสู่พระนิพพานบันดิตแสดงถึงอานิสงส์มีอาการต่างๆมากมายในศีลอันเป็นเหตุมูลของสมบัติทั้งปวงดังพระนามาชนีนะ อันนี้คืออ น, นิสงส์ต่างๆคราวนี้มาดูองค์ประกอบที่จะทำให้ผิดศีลการที่ก้าวล่วงกรรมบดนะอาคุโลกรรมบดทั้งหลายย่อมถูกรวบรวมไว้ด้วยสิ่งเหล่านี้นะเพราะเหตุนั้นสิ่งเหล่านี้จึงชื่อว่าสัม พาลาได้แก่ส่วนประกอบส่วนประกอบของข้อปาณาติบาตนะปาโนรู้ว่าสัตว์มีชีวิตปาณสัญญาตารู้ว่าเฮ้ยปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตปาณสัญญาตาระว่าความรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตวะทักกาจิตตางมีจิตคิดจะฆ่า อุปกรรมโมีความพยายามยตั้งใจที่จะฆ่าแล้วมีความเพียรที่จะฆ่าแล้วเตนะมรณงสัตว์นั้นตายด้วยการด้วยความพยายามนั้นนี่เรียกว่าการฆ่าสำเร็จองกรรมบทขาดการฆ่าสำเร็จแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเราขับรถไปชนสุนัขตายแล้วเรากลับมาก็เดือดร้อนใจว่าโอ้ยเราได้ฆ่าสุนัขแล้ว หรือแม้แต่ชนคนตายเราก็บอกว่าเราได้ฆ่าคนแล้วแต่นี่ครบองค์ประกอบไหมการฆ่าครบไหมเราตั้งใจจะฆ่าเขาไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฆ่านะแสดงว่าไม่มีเรารู้ไหมว่าไอสัตว์นั้นมีชีวิตไหมมนุษย์กับสุนัขมีชีวิต รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตไหมรู้วัฏกาจิตตังคิดจะฆ่าเขาไหมไม่ฆ่าองค์ประกอบก็ไม่ครบพยายามไหมกลับรถถอยกลับมาเหยียบไหมถ้าถอยกลับมาแสดงว่ามีไหมเนี่ยมีวัฏกาจิตตังมีอุปกรมโมแล้วมีความคิดที่จะฆ่ามีความพยายามด้วยสัตว์นั้นตาย นะเมื่อไม่มีความพยายามเมื่อไม่มีจิตที่เจริ่าไม่มีความพยายามก็ไม่ครบองค์ของกรรมบทนะปาณาติบาตก็ชื่อว่าไม่ไม่ครบองค์กรรมบทนะสิลไม่ขาดนะ <c oughs> คราวนี้ในลักษณะของความพยายามนะความพยายามนะความพยายามที่เกิดขึ้น ด้วยมือของตัวเองฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าหรือทำลายการปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ตายเอ ง, องนี้นะแล้วก็ทำเครื่องประหัดประหารหลายชนิดหรือแม้แต่เล่นคุณใสเลยใช้วิชาทำให้เขาตายมีหุ่นฟางนะเสียบเข้าไปก็เห็นไหม เนี่ยใช้วิชานะหรือใช้กรร ม, มวิปากาชนะทิมยะโอ้โหใช้อิทธิฤทธิ์เลยที่จะให้ตายนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเคยได้ยินเสกตะปูเข้าท้องไหมอ่านี่ก็นี่ก็เกี่ยวกับ ความพยายามเหมือนกันนะ <c oughs> อันนี้คือลักษณะของปานาติบาลลักษณะของอธินาทานที่จะทำให้อธินาทานขาดามีลักษณะที่หนึ่งคือประปริคหิตังเป็นสิ่งที่เขาหวงแหนอันแรกเลยนะ ปาระปริคหิตาสัญญิตาสำคัญว่าเป็นวัตถุที่เขาหวงแหนไถยจิตตังมีจิตคิดจะรักนะอุปกร โ, โมมีความพยายามเตนมะารนางนะนำไปนาของไปนั้นด้วยความพยายามนั้นนะอันนี้ถ้าเราเห็นของที่ตกแล้วก็ หยิบไปแล้วก็ไปหาคนถ้าหาไม่ได้วัตถุนั้นบางทีก็เราก็เป็นเจ้าของนะเพราะว่าไม่มีเจ้าของแล้วเราได้สิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยชื่อว่าไม่เป็นการรักนะเพราะไม่มีจิตคิดจะรักไม่มีความพยายามนั่นเองนะ <c oughs> ตอนนี้มาดูกาเมสุมิชชาจารนะ ก็มีหญิงยี่สิบจำพวกหญิงที่มารดารักษาหญิงที่บิดารักษาผู้ปกครองรักษานะหรือพี่ชายน้องชายพี่สาวน้อง ส, สาวญาติรักษาตระกูลรักษาสหธรรมิกรักษาก็คือเกี่ยวกับสมนเนรีศิขามานาภิกษุณีหรือในปัจจุบันแม่ชีอย่างนี้นะก็เรียกว่าสหธรรมิกรักษา หรือทำรักษานี่ย่างนะสารัขาคือรับมั่นไว้แล้วสัปริทันดาหมายถึงกฎหมายคุ้มครองไว้อันนี้คือเป็นอาคมนียฐานหมายถึงวัตถุที่จะต้องก้าล่วงนะอาคมนียวัตถนะุองค์ประกอบของมิจฉาจารย์ก็คือวัตถุที่ไม่ควรก้าล่วงนั่นเอง ในยี่สิบจำพวกนี้แล้วก็มีอีกสิบจำพวกที่มีภรรยาแล้วเมื่อกี้ยี่สิบจำพวกคือหญิงที่ยังไม่มีหญิงที่ไม่มีสามีอีกสิบจำพวกคือหญิงที่มีสามีแล้วมีการไทยมาด้วยซับอยู่การด้วยความพอใจคือไม่มีผู้ปกครองดูแลภรรยาที่อยู่ด้วย ทรัพ ส, สมบัตนะิอยู่ด้วยผ้าอยู่ด้วยพิธีรดน้ำชายที่โปร่งเสื้อจากศีสะเป็นทาสีเป็นคนใช้ในบ้านนะภรรยาที่จ้างมาทำงานที่เป็นเฉลยที่อยู่ด้วยกันครู่หนึ่งอย่างนี้เรียกว่าที่มีหญิงที่มีที่เป็นภรรยาก็คือมีสามี ชายที่ไปล่วงละเมิดอาคัมภิญญวัตถุก็คือวัตถุที่ไม่ควรถึงเนี่ยนี่คือองค์ประกอบที่หนึ่งที่สองคือตัดสมิงเสวนจิตตังมีจิตคิดจะเสพหรือล่วงละเมิดในอาคัมภิญญวัตถุนั้นเสวนัาปโยโคมีความพยายามเพื่อที่จะเสพมั์เคนะมั์คาปฏิปติอาทิวาสนางมีความพอใจในการยังมักให้ ถึงมรกนี่นะนีองค์ประกอบที่ทำให้มิจฉาจาร์ขาดไปส่วนมูสาวาดมูสาวาดก็มีองค์ประกอบสี่อย่างเรื่องที่ไม่จริงคิดที่จะกล่าวให้คาดเคลื่อนมีความพยายาม แล้วก็รู้คนอื่นรู้เนื้อความนั้นเนี่ยทำให้ผิดศีลมุสาวาดเนี่ยนะส่วนสอเสียด <c oughs> มีองค์ประกอบสี่อย่างเหมือนกันมีคนอื่นที่เราจะพูดทำลายให้แตกความสมคีนะมุ่งที่จะให้เขาแตกแยกกัน หรือให้เขารักหรือให้เขามารักเราให้เขาแตกจากอีกคนหนึ่งนี่องค์ประกอบที่สองนะองค์ประกอบที่สามคือมีความพยายามที่เกิดขึ้นด้วยตั้งใจที่จะให้เขาแตกแยกกันแล้วก็คนที่มาฟังเนี่ยรู้ความหมายนั้นนี่เป็นองค์ประกอบเ ส, สีอย่างของการพูด แตกแยกแต่ความสมัคคีนะส่วนคำด่านะคำด่าเนี่ยเรียกว่าอากโกสวัตถุสิประการด่ากระทบชาติกระทบชื่อกระทบโคดหรือนามสกุลนี่นะหรือวงตระกูลทั้งหมดกระทบกรรมสิบ ป, ปะคือวิชาความรู้นะหาพาษ รูปร่างสันฐานกิเลสอาบัติเนี่ยเกี่ยวกับดา่าของพระหรือโยมก็ตามหรือคำดายย่าหยาบคายหรือบอกว่าเป็นท่านฉลาดหรือโง่หรือเป็น สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งก็แล้วแต่นี่เกี่ยวกับคำด่าดังนั้นนะด่าแบบไพเราะมีไหมเคยเห็นไหมเคยใช้ไหมด่าแบบไพเราะมากเลยอะ่ะคราวนี้สัมผัสปรา ป, ป่านะ <c oughs> สัมภัปราปะนี้มีองค์มีองค์สองนะมีความตั้งใจที่จะพูดเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์มีเรื่องต่างๆท่านยกมาเรื่องภาระตะเรื่องรามเกียรติ์นะตอนมีพานางสีดานะหรือแม้แต่สามกก หรือนิยายอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เกี่ยวกับเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะเรียกว่าพูดสัมปรปราประ <c oughs> อันนี้ก็นี่เป็นองค์ประกอบนะส่วนอาพิชาก็คือมีของของคนอื่นแล้วก็น้อมมาเพื่อตนส่วนพยาบาทนะ มีสัตว์อื่นแล้วก็คิดที่จะเบียดเบีย้ยหรือทำลายให้พินาศนี่คิดนะนี่เป็นความคิด <c oughs> แล้วก็มิจฉาทิฏฐินะเลยไม่ถึงนะไม่ถึงมิจฉาทิฏฐิเลยถ้ามีเวลาก็จะมาต่อกันเพราะเวลาหมดหมดเวลาซะแล้วนะส่วนคำถามก็คงจะเป็นตอนเย็น